อ่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่อยู่ที่บ้านไหนคะพระอาจารย์ที่กรุงเทพเลยใช่ครับอชอบไหมชอบครับพรอาจารย์เนี่ยมีอะไรบ้าง ม, า ม, มีน้าพรอาจารย์ถามลูกก็ตอบสิค่ะเป็นบ้านหรือเป็นคอนโดเป็นคอนโดครับอ่าอยู่ชั้นไหนชั้นห้าครับ ว, วันนี้ไปบ้านเพื่อนมาครับเออทําอะไรบ้าง ไปเล่นครับอ่าทำไมไม่ไปปฏิบัติธรรมอ่ะไปนั่งสมาธิเสร็จวนันลังไปบ้านเพื่อนต้องบอกว่าเรามานั่งสมาธิกันดีไหมโอเคดีนะโอเคครับพระอาจารย <laughs> ์ทำไมทํามเล่นเวลาเล่นเล่นได้เป็นชั่วโมงนั่งสมาธินั่งได้แค่หนึ่งนาทีสองนาทีเดี๋ยวถ้าไปบ้านเพื่อนอีกเดียวข อ, เ, อ, อเดี๋ยวนั่งครึ่งนาทีดีกว่าอ๋อแค่ครึ่งนาที่านเลย แล้วเล่นแล้ว เ, เ, เล่นกี่นาทีอ่ะเดี๋ยวเล่เก้าคุยเกชั่วโมงครับอาจารย์เล่นตั้งเก้าชั่วโมงนั่งสมาธิสองวันครับอาจารย์สงวันนะโอเคนั่งเล่นแล้วได้อะไรบ้างนะไม่ได้อะไรแล้วก็เดี๋ยวแม่ก็รับกลับไปโอเควันนี้อาจารย์มีอะไรมาถามไหม ไม่มีครับพอาจารย์โอเครักแม่ไหมรอนะรักแม่ไหมรักครับพอาจารย์รักก็ต้องทำไงกับแม่เชื่อฟังแม่อ่านาะจาไว้นะไ ม, นะไม่ดื้อนะได้ไหมได้ครับพอาจารย์อ่าถ้ารักแม่ต้องเชื่อฟังแม่นะโอเคครับพอาจารย์โอเคไปไปนอนได้นะ กลับเลยมาจากลับยังไงสัสรรคกับพอาจารย์ข้าพระอาจารย์หนูไม่มีคำถามค่ะมากราบพระอาจารย์เจ้าค่ะโอเคข้ามาเอ็นไปที่จมัดกับเจาที่ต่อครับมาราชการพระอาจารย์ครับอ่เป็นยังไงมีอะไรไหมวันนี้ครับวันนี้มาส่งกันบ้านครับอ่ามามาเลย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 มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นใคายากคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสื่อไปเราทัุกทายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดพิจารณาหรือเปล่าพิจารณารทุกวันนะไม่ใช่เฉพาะวันพุธ น, นะับทุกวันครับอันนี้เป็นข้อสอบของเราเหรไหมครับออต้องทําให้ผ่านวิธีผ่านทํายังไงรู้ไหม ต้องไม่ทุกข์กับมันนะครับต้องไม่กลัวมันมันไม่ใช่เรื่องของเรามันเรื่องของร่างกายครับเราไม่ได้เป็นร่างกายแต่เพียงแต่ใช้ร่างกายเป็นคนนับใช้เราใช่ดังนั้นเราไม่ต้องไปกลัวเวลาเปด่รกับร่างกายก็ดูแลเขาไปเหมือนเราดูแลคนใช้คนหนึ่งครับอ่าแล้วร่างกายเรามีอะไรบ้างละ่ะมีผม ขนเตพปันเหนือเอ็นกระดูกเยื่ในกระดูกน้าหัวใจตับถังืนไตปอดไส้ใหญ่ส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่ในสมองศีสษนน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงอน้ำมันข้นน้ำตา น้าเหลวนําลายน้ามูกน้ำไข่ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข่ข้อน้ำมูกน้าลายน้ำเหลวนําตาน้ามันข้นน้ำเงี้น้าเลือดน้าเหลืองน้าเสด็จน้าดีแยกในสบองสีสับอาหารเก่อาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดใตของผื่นับหัวใจ มาเนี่ยในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันและขนผมอ่าเก่งมากทุกครั้งที่เห็นร่างกายนึกถึงอาการเหล่า น, นี้บ้างหรือเปล่าอาการเห็บ้างครับเห็นบ้างะนะอย่าลืมนะท่องไว้แทบเป็นแทบตายพอเห็นจำไม่ได้เลยเห็นอย่างอื่นไม่หมดเลย เห็นเป็นจ่าแม่เห็นเป็นชัดที่ไปเลยนะมันจะเห็นเป็นหนังผมขนเล็ฟันหนังเลยใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยผมไหมีผมไหมเห็นผมเห็นขนไหยเห็นเล็บเห็นฟันไหมถ้าไปเห็นเป็นชัดที่เป็นจ่าแม่ไปหลงเลยพยอยามอย่าหลงนะพยายามองความความจริงแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันอ มัน<อ>เนเพียงอาการ32ในร่างกายนี่ไม่มีจมนดไม่มีเจทีอยู่ในร่างกายนี่มจมัดเจตีอยู่อีกโลกหนึ่งก็เยโลกทิพนะโลกทิพติดต่อด้วยกระแสกระแสจิตนะเรามีกระแสจิตสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆรับอะไรต่างๆจากร่างกายได้รับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาแล้วก็มาสั่งให้ ถ้ากายไปเอารูปนั้นมาเอาเสียงนี้มาเอาขนมมาเอาเกมมาเนี่ยอย่าไปหลงกับมันมากนะเดีย๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องตายต้งแก่้องเจ็บต้องตายครับโอเคมีอะไรไหมไม่มีรครับโอเคเอาเร่นี้ก่อนนะครับกรับขอบคุณ อ, อาจารย์ครับน้องทีมต่อเอาดึงเลก่อน ยังไงน้องทิมมนันสมาธครับมันก็ได้ยินเสียงเลยครับวันนี้มาส่งกับบ้านเรื่องนั่งสมาธิครับนัง่งอะไรกี่นาทีแล้วนั่นงรวมกันเอ่อรวมกันทุกวนันทุก ว, นว<า>นันเจ็ดวันครับได้หนึ่งชั่วโมงยี่บสมนาทียี่บสองวินาทีกับอีกสี่สิบห้าเซนวินาทีครับ ไม่เยอะนาดนั้นเลยแล้ววันหนึ่งได้อะไรทีละวันวันงกี่นาทีววเออแต่ละวันเออเข้าจดไว้คระสิบถึงประมาณสิบกวนาทีได้ครับแล้วก็มีออวันหนึ่งได้ยี่สิบนาทีคะ่ะอันนี้พอเก่งมากเลย มีมีมวันนึงค่ะพระอาจารย์เขานั่งได้ยี่สินาทีเขาดีใจมากเลยค่ะเขาบอกว่าหมอนะต้องไม่เชื่อนะเลย ว, ว่าวันนี้ทิมนั่งได้กี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็นึกว่าเขานั่งได้ประมาณหนักสินาทีค่ะเขาบอกเขานั่งไปยี่สินาทีแล้วก็ใช้วิธีไหนคะลูกอบอกเข<อ>าต<อ>้งาองข่มเขาเล่นฟันหนักครับอ๋อนี่ต้องต้องไปเรื่อยๆต้องกี่ครั้งต้องตลอดเลยเลครับบางทีก็พูดโชสลัมาพูดโชบ้างครับเออแล้วรู้สึกไงสบายใจไหม สบายใจครับไม่ปวดขาดน้อยกว่าเมื่อก่อนครับอ่าดีพยายามทําไปเรื่อยๆนะครับท่องอาการธาตุสองไปท่องพุทโธสลับกันไปอ่าเมื่อจะท่องบุแผ่แผ่เมตตาหรือท่องที่บทที่พี่จะแม้แก่ใจที่ก็ท่องไปได้เรามีร่างกายเราเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอ่าต้องพัฒนาจากจกัน มีกรรมเป็นของของตอนอย่างนี้ท่องไปได้นั่งท่องไปก่อนต่อไปถ้าถ้าอยากจะหยุดเท่าดูลมได้ก็ลองหันบันทึกลมต่อดูลมที่ปลายจมกูกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกให้รู้เฉยเฉยรู้ที่ปลายจมกูกไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมา เ ต, ต่อไปจะมีสติมีสมาธิมากใช่ครับจะมีความสุขมากครั บ, รบทีนี้ก็ถือว่าเขามีการพัฒนาขึ้นนะคะเขาก็ใช้วิธีแบบเหมือนเขาใช้อที่พระอาจารย์แนะนําเขาไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าให้เขาลองท่องอาการ32เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้วิธีท่องอาการ32ะคะ่ะพระอาจารย์ การขยับหรือว่าบ่นเรื่องปวดขาค่ะก็ ก, ก, ก็ไม่ค่อยมีอะค่ะพระาจารย์จิตมันไม่ได้ไปสนใจครับร่างกายค่ะใ ช, ใช่ค่ะเขาก็เลยอาจจะนั่งได้ดีได้ค่อนข้างจะนิ่งนิ่งแบบไม่ถึงว่าการเคลื่อนไหวก็น้อยลงไปอะไรแบบนี้ค่ะก็จกิเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเขาก็จะใช้วิธีแบบเหมือนว่า จะจะทดเวลาไปเรื่อยๆแล้วเขาอยากจะรู้เดี๋ยวหนูก็เพิขาก็ใช้วิธีเขาหาวิธีของเขาไปเองอะคะ่ะว่าวันนี้เขานั่งได้กี่นาทีวันนี้กี่นาทีก็คือเขาก็จะจดบนกระดานเองอะคะ่ะแล้วก็รวมเหมือนอยากจะรู้ว่าเหมือนอาทิตย์หนึ่งเขารวมแล้วเขานั่งได้กี่นาทีอะไรแบบนี้นะคะ่ะแล้วจะได้มาส่งกันบ้านพนักงานนะคะดีมากพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆนะย่งให้นานขึ้นไปเรื่อยๆ เนี่ย ก, ก็ถือว่าอาทินี้น่าจะเป็นอาทิตย์แรกที่นั่งได้ติดต่อกันเจ็ดวันนะคะรอาจารย์ยังยังยังไม่หลุดอะค่ะอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สองค่ะค่ะรู้ค่ะทักค่ะชอบไหมก็มีความสุขครับอชอบมนเล่นเกมบ้างเล่นเกมทั้งนัชอบเล่นเกมมากกว่าครับเออต่อไปก็อาจจะชอบนั่งสมาธิมากกว่าเล่นเกมก็ได้นั่งไปแล้วจริงมีความสุขมากขึ้น มันก็จะอาจ่านใจว่าเล่นเกมสู้นั่งสมาธิไม่ได้ต่อไป <c oughs> โอเคเมอะไรอยากจะถามไหมไม่มีครับค่ะไม่มีค่ะพรอาจารย์กล่าวขอบพระคุณพรอาจารย์มากเจ้าค่ะโอเคสาธุสาธุจงค่ะพ า, าอาจารย์อ๊าบที่คุณเจนเจนออคุณเจนเจนใช่ไหมได้ถูกไหมคุณชื่อเจนเจนใช่ไหมใช่ค่ะ กรรมนันมันสการหลวงพ่อนะคะวันนี้มาส่งกลรมบารอาทีนี้นะคะได้<อ>ยินไหมคะได้ยินดีได้ยินได้ชัดเจ น, นค่ะอาทีนี้จะอืมวันละแสนชั่วโมงก็ก็ยังทําได้อยู่ทํารูปแบบแล้วก็เถืเสียงแปรหนึ่งวันวันนั้นก็วันนั้นก็เดิน ม, มาตีสีแล้วก็ทําไปเรื่อยๆทําทั้งวันมันเกือบห้าชั่วโมงค่ะ แต่ว่าแปบไปสงบ ก, ก็ไม่สงบ ก, ก็ช่างมันพอพอใจที่ได้ทําอยู่เพราะว่าบางทีก็ไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ให้ใจอยู่กับที่ก็แกันอย่าลอยไปกับความคิดต่างๆใช่บางทีก็มีฟผลสร้างมันเยอะผลสร้างเยอะแล้วก็ไม่สงบเท่าไหร่ก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรงแทงอ คิดว่าไปเดินจงกรมมากกว่านั่งสมาธิเพราะว่ามันจิตมันร่องกายมันเครื่องไวอยู่เครื่องไวแล้วก็พูดโทพูดโทไปแล้วก็จิตหนีไปแล้วก็รู้ทานจิตหนีไปรู้ทานก็แบบนี้อย่าอย่าถามอาจารย์อย่าถามหลวงพ่อว่านั่งสมาธิสมาธิจะเดินจงกรมกับสมาธิจะนั่งสมาธิอันไหนแข็งแรงกว่า อ่าถ้าสงบเนี่ยนั่งนั่งจะสงบมากกว่าเดินแต่แต่แต่แต่คิดแบบนี้เนาะแต่เดินก็ช่วยช่วยให้เรามีสติมากขึ้นเวลามานั่งสมาธิจะได้สงบได้มากขึ้นแต่เอ่อแต่จริงจรงคิดแบบนี้นะถ้าเราใช้ชีวิตประจำวันก็ร่างกายก็เครื่องไว้อยู่แต่ถ้าเราเดินน่ะเดินแบบมีมีสติมีสมาธิด้วยอ่ะ แล้วก็แล้วก็ช่วยในชีวิตประจาวันก็ใช้ในชีวิตประจาวัน ม, มีมีสติสมาธิด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ก็เหมือนกับนั่งสมาธิเพียงแต่ว่าแทนที่นั่งกายจะนั่งเฉยๆนั่งกายก็ทำงานไปทำอะไรไปแต่ใจก็ปฏิบัติเหมือนตอนที่นั่งสมาธิมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาก็ อเวลาก็นั่งก็ฟุ้งมากฟุ้งฟุ้งกว่าเดินจงกรมนะคะหลวงพ่อก็นั่งถ้าฟุ้งก็ลองท่องอาการสามเจ็ดสองดูท่องอาการสามสิบหกหอนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระโดดก็ยังยังจําได้จําได้ก็แต่ว่าแต่ว่ายังไม่ท่องท่องคล่องนะคะต้องการทั้งไปทั้งกลับสามเจ็สองแล้วย้อนกลับมาท่องถอยหลัง ท่องไป<อ>ผมขนเล็บฟันหนังแล้วกลับมาหนังเล็บฟันผมขนเนี่ยครับอ๋ออย่างนี้ท่องแบบนี้หรือคะท่องสามสิบสองอาการแล้วท่องถอยหลังนับถอยหลังเพรับอ๋อเดี๋ยวท่องไปแล้วก็นั่งนั่งต่อไปใช่ไหมคะก็นั่งไปท่อง <ผม S 1> ไปะนะะเวลาพุ่งนั่งสมาธิแล้วพุ่งกานท่องอาการสามสิบสองไปก่อนอ๋อเข้าใจลคะค่ะหลวงพ่อปกติก็ใช้หายใจเข้าลึกๆ ห, หายใจออกลึกๆอย่างนี้ก็แก้โครงสร้างได้นิดหน่อยคะ่ะ อ่าก็แต่อย่าไปบังคับลมเวละหายใจอย่าไปบังคับนะหายใจเล็กๆให้ดูลมเฉยเฉยอย่าไปบังคับลมลมจะหายใจเล็กเมื่อหายใจไม่เล็กก็ไม่สำคัญขอให้เรารู้กับความจริงของลมว่าเป็นยังไงแต่ถ้าพุ้งสร้างก็ท่องอาการทารสองไปก็ได้เข้าใจราคาหลวงพ่ อ, อ ก็จะทําต่อไปทำต่อเนื่องนะคะเพราะว่าอถ้าการสามจุดสอ ง, อ ง, องนี่ทําให้มีปัญญาทําให้เราเข้าใจความจริงของร่างกายมากขึ้นว่าร่างกายไ<ล>ี่มีร่างกายแค่แค่ไม่ไม่ใช่ของดีอะ่ะของอวิเศษอะไรไม่สวยงา ม, ม, มไม่สวยงามแล้วก็เป็นอสุภ ะ, ะใช่ไ่มใช่อ่แต่ก็ดูภาพหน่อยใช่ไหมคะร่างกายแปลงแบบนี้อ่ะมันสกะปรกน้ําเลือดน้ง ได้ดูตอนที่ไม่ได้นั่งสมาธิตอนที่เราเลิกแล้วก็ไปดูแต่ตอนที่เรานั่งไม่ต้องดูนั่งแล้วต้องนึกภาพขึ้นมาได้เองก็นึกได้เดิน อ, อยู่ตรงไหนเดินมีลักษณะอย่างไรอาหารใหม่อาหารเก่าเป็นยังไงนึกได้ลำไส้เป็นยังไงตอนที่นั่งสมาธิก็นึกไปได้แต่ถ้า<ต>จะดูเปิดหนังสือต้งองราตอนที่ไม่ได้นั่งสมาธิ อืมยากจะดูภาพนะมันมันภาพมันดูมันไม่สวยไม่งามเลย อ, ะอ่ะมันดูสกปก ค, ค่ะใช่หนูจำไว้ให้ได้เวลาเห็นใครที่เรารักเราชอบเราก็นึกถึงภาพเหล่านี้ขึ้นมาอืมแต่ตรงนี้ก็ดูภาพมันก็ไม่รังเกียเท่าไหร่นะคะหลวงพอ่อไมู่้อง ไ, ไมโรงาบจริงไปที่โรงพยาบาลไปขอดูเขาผ่าศพด้วย โอ้มันมันมันยังพลังจิตยังไม่พอนะหลวงพ่อไม่ไม่ไม่กล้าดูอยากจะดูของจริงไม่ฮะดูภาพแล้วมันยังไม่ ด, ดีดูภาพก่อนนะคะหลวงพ่อดูรูปของจริงยังไม่กล้าเลยมันต่างกันตรงไหนภาพกับของจริงมันก็มาจากภาพก็สายมันจากของจริงไม่ใช่เลย้ามาจากของจริงก็จริงแต่ว่ามันถ้าดูของจริงมันจะจิตมันสะเทือนนะ สตมันจะขนจริงมันจะน่ากลัวมากๆเลยค่ะหลวงพอ่อต้องมีสมาธิ ม, มากๆก่อนจิตต้องมีสมาธิมีความสงบก่อนถึงจะดูภาพเหล่านี้ได้แต่ก่อนก็หลวงพอ่อแต่ก่อนก็คิดว่าเจริญสติมากๆเดี๋ยวก็สมาธิก็มาเองตรงนี้ก็เข้าใจว่ามันสมาธิกับสติต้องต้องทำงานพร้อมกันเพราะว่าสติเคยรู้ทนันแล้วก็สมาธิก็ทำให้สงบ จิตอยู่กับอารมณ์เดียวกันเดี๋ยวก็เออ่ถ้าถ้าถ้าจิตนี้ไปที่อื่นสติก็ตื่นมากลับมาอยู่กับพุทโธแต่นี้อ่าก็ต้องทางานร่วมกันละค่ะถ้าไม่ทํางานร่วมกันอืถ้าแค่มีสติสมาสก็ไม่สังบถ้าไม่มีสติก็ไม่สงบต้องมีสติคอยดึงใจให้อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวใช่ใชตัวนี้เข้าใจละค่ะแต่ว่าเออก็ต้องสู้กิเลสไหวทุกวันล่ะค่ะ ทำเป็นนิสัยอ่ะทำเป็นเหมือนกินข้าวต้องพยาต้องพยายใช่เรากินข้าวสามมื้อเราก็ต้องปฏิบัติสามเวลาอืกินข้าวหนึ่งตรงนี้กินข้าวสองมือแต่ว่าค่อยค่อยลดลงเป็นหนึ่งมือครึ่งนะคะอหนึ่งมือครึ่งเดีล้วก็ถือสิงแปงกินน้อยน้อยถือสิงแปงอ๋อใช่ถือสิงแปงหนึ่งไว้ก็กินหนึ่งมือหลังเที่ยงไม่กินอะไร ไม่ไม่ขิงขิวเท่าไหร่ละคะ่ะอะต่อไปก็ถือสิน 8, 2, 000, 3, 000, ส้น 8, 000, สิน 8, 000, ส้นแปดสองวันสามวันเพิ่มไปเรื่อยๆโอค่ะอันนี้เป็นการบ้างอาที่น้าละค่ะหลวงพ่อถ้าอยากจะก้าวหน้าก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติศีลให้มากขึ้นนั่งสมาธิเดินโยคมให้มากขึ้นอืมคนจะได้เกิดมากขึ้นเหมือนปลูกต้นไม้ถ้าเราปลูกต้นเดียวเราก็ได้ต้นเดียวถ้าเราปลูกสามต้นเราก็จะได้สามต้น เราปลกสิบต้นเราก็ได้สิบต้นใช่ค่ะเข้าใจแล้วค่ะหลวงพ่อต้องขยันละค่ะสู้ไม่สู้จะตายเลยไม่สู้ตายฟรีๆจะตายฟรีๆจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รีบทำเสียใช่ๆตอนนี้ยังมีเวลารีบทำเสียเดี๋ยวตายแล้วจะไม่มีเวลาค่ะเข้าใจละค่ะอืตอนนี้เสีงคหยเป็นยังไงอากาศ้อนยังหนาวเสีงคายอากาศร้อนอากาศสามสิบ สามสิบสามองศาค่ะสาิบามองศาอืมอมยังร้อนกว่าเมืองไทยล่ะค่ะ ต, ตอนนี้เมืองไทยมีฝนตกปาณสามสิบยี่บปดวันนี้ยี่สิจ็ยี่สิบแปดท่นยี่บแปดยสบเายอสบากว่าอืมแต่เดี๋ยวก็กลับมาร้อนเมืองไทยชอบอยู่ประมาสามสิบกว่าไหมกั้นอืมค่ะแต่ถ้าร้อนเกินไปแล้วเดินจงกรมที่ข้างนอกก็รู้สึกว่าจิตงกหนินะอ้ออ้อดื่มพอแค่นี้ก็พอละค่ะอยู่ละค่ะ แพ้กี่เลรีละคะ อ, อยอ่าอย่ายอมแพ้มันสู้กับมันไปเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเวทนาทุกขเวทนาที่เราต้องรู้จักอยู่กับมันให้ได้เข้าใจมันทางนี้มันจะยากแต่ว่าต้องสู้นะคะไม่สู้จะตายละคะอ่าเนี่ยหลวงพ่อหลวงพ่ออาชีน่ามีการบ้างไหมคะก็นี่ทําให้มากขึ้นไง ถือสิ่งใดส่งวันใช่ไหมคะเออสองวันสามวันก็ได้ยี่วันก็ได้เออเอาส่งวันก่อนได้ไหมคะได้ส่งวันก่อนค่ะเอาสองวันก่อนนะคะออเออเอตกลงแล้วค่ะทํางทั้งทั้งอาการสาที่สองไปกลับให้ได้ทั้งไปทั้งกลับอ๋อไปกลับได้ได้โอเคไม่มีปัญหาจําได้โอเคทั้งมีการบ้านสองอย่างนะคะอืมอืมจาได้แล้วค่ะ ยังมีอะไรอีกไหมแนะนํำไหมคะชี้แนคะค่ะเพราะบ้านมันตรงนี้ก็ฟุ้งซ่านอยู่สติไม่ค่อยมีค่ะหลวงพอ่อแล้วตอนนี้นั่งนั่งวันนียนั่งกับเดินวันกี่ชั่วโมงวันละสามชั่วโมงอะ่ะแต่ว่านั่งไปสลับการประมาณสี่สิบนาทีสี่สิบนาทีถ้าเดินถ้าเดินจงกรมได้หนึ่งชั่วโมงแต่ว่านั่งสมาธิประมาณสี่สิบห้านาทีแล้วนั่งได้ชั่วโมงไหม นั่งได้ช่วโมงมันจะปวดขามากเลยอะ่อะเมืวดเมื่อปวดขาก็ให้ท่องพุทโทเนอร์ให้ท่อ ง, อ, งอาการสาสิบสองไปอเงี้ยจะไม่ปวดอาการจะอดทนอดทนไม่ต้องอดนะอดไปสู้ไม่ไหวเราใช้พุทธใช้ใช้อาการสามิบสองผมขดเล็บฟันทางเนื้อเอ็นกระโหลไปทางไปทา ง, งไปแล้วเดี๋ยวจะไม่รู้จกอาการเจ็บจะหายไปจะไม่รู้สึกเจ็บโออย่างนี้จริงเหรอจะจะลองดูนะค ะ, อ, ะ อ, าอาการหายไปหรือเปล่าคะอะพออาการอาการเจ็บขึ้นมาก็ ทางการสาสิบสองไปหรือทางพุทโธพุทโธไปอย่านั่งเฉเฉยอย่านั่งทนทนไม่ไหวนะบางทีก็นั่งสมาธิมันจะซึมซึมอ่ะมันหลับหลับมันไม่ค่อยมีสติปลุกสติขึ้นมาในพุทโธเรื่องการสาโสิบสองด้วยผมขนเ้วยฟันเข้าใจแล้วค่ะหลวงพ่อค่ะมันมันเป็นอูบายใช่ไหมคะใช่เป็นวิธีเป็นอูบายที่จะเจริญสติอูบายของสติ ว่ามีสติและะ้วค่ะเจ็เจนนันก็จะไม่กลัวความเจ็บเจ็บก็เฉยเฉยได้ไม่ไม่กลัวความเจ็บเข้าใจและะ้วค่ะอในเช้าประจางวันก็ท่องพุทโธอยู่แต่ว่าท่องไม่ใช่ทั้งวันหลวงพอ่อพยายามทำทั้งวันให้มากให้มันต่อเนื่องถ้าถ้าจนเจนก็คิดว่าถ้าทําได้ห้านาทีนะถ้าทําได้ห้านาทีพุทโธคือหนึ่งพุทโธคือหนึ่งสมาธิถ้าเราทําได้ห้านาที ทั้งวันทำสิบครั้งจะได้เกิดชั่วโมงสมาธิอย่างนี้ถูกไหมคะยังน้อยไปต้องทําชั่วโมงพุทโธทั้งต่อทั้งชั่วโมงเลยไม่แค่ห้านาทีถ้าถ้าถ้าไปทํากิจการอื่นๆเนาะมันจะดึงพุทโธไปล่ะค่ะเก็ดึงกลับมาสิถ้าไม่้องใช้ความกิจก็ใช้ดึงพุทโธกลับมาอ๋อกินข้ากับพุทโธไปล่ะค่ะป็นข้าวพุทโธั้างชามก็พุทโธไปทำกับข้างกับพุทโธไป โอ้มันพูดโทฝศังไว้อยู่ในใจเออให้มันเป็นเพื่อนเราอยู่พร้อมเราเป็นต้นเป็นเพื่อนเราก่อนตายก็จะพูดโทรไปอ่าแล้วก็ตรงที่เราตายเราก็จะพูดโทรศัโทตลอดไปเอ่าพูดโทรัทั้งเป็นทั้งตายเวลาเวลาอยู่ก็พูดโทรเวลาตายก็พูดโทรศโอเคเข้าใจแล้วค่ะพูดโทจนถึงตายอ่าใจจะสงบใจจะไม่ทุกข์กับอะไรอืม ว่าจีาานนี้พลังมากขึ้นล่ะค่ะอยากจะสู้ต่อล่ะค่ะเอวันพุวันพุนพก็จะส่งกลังบ้านละสู้ล่ะค่ะ อ, นนอย่างนี้ทีนนมีมาก ข, ขอบคุณค่ะอยู่กับวควรอบครัวไม่อยู่คนเดียวอ อ, อยู่กับสามีแต่ว่าสามีเข้าใจเขาเขาก็ไม่ทําแต่ว่าเขาเข้าใจธรรมะชอบ<ม>ชอบไปวัดล่ะค่ะไม่มีลูกเหรอมีไหมไม่ไม่มีอืม แล้วมารู้จักที่นี่ได้ไงเขารู้จักก็ก็เพิ่มเพื่มพาการไปวะยานอ่ะก็เคยเคยกลับหลวงพ่อหลวงพ่อน่าจะจำไม่ได้ละค่ะไม่ได้คนเยอะอืมค่ะเอาไปมาที่วัดยานี่เลยอืมใช่ไปมาพักที่ป่าไเพียงแต่มาเยี่มามามาอยู่เจ็ดวันละค่ะอ๋อเจ็ดวันนันแหละอืมนานน้อย่าง ยังไม่ก็เดินที่แล้วอ่ะหลวงพ่าจำไม่ได้ละหลวงพ่อจำไม่ได้คนก็ไม่ยากเป็นมาจากโลกใช่ก็ก็จะสู้ต่อไปต่อไปก็จะสู้ต่อละค่ะไม่ไม่งั้นก็ไม่ไม่ไหวแล้ะค่ะเราเราใช้ชีวิตประมาไม่ได้แล้วค่ะหลวงพ่อถูกต้องแสดงว่าเราเห็นเห็นธรรมะ็นคุณค่าแล้วใช่ก็ ใช้ธรรมะอยู่กับธรรมยิงเดินนั่งนูงอยู่กับธรรมแต่ว่าตรงนี้ยังทำไม่ได้ฝังไว้อยู่ในใจค่ะออ่ยังทำไม่บ่อยแต่เวลาจะมันก็จะจำได้จะอยู่ในใจนะเข้าใจแล้วค่ะหลวงพ่อจะทำต่อนะคะวันนี้อาชีนีกับบ้านมีสองอย่างใช่ไหมคะก็ะวันพระสองวันสองวันถธอสิงแสแล้วก็ แต่ก็ทก็ท่องอาการสามสิบสองสามสบไปกับเข้าใจแล้วค่ะอย่าจดดูอย่าส่งการบ้านอาร์หน้านะคะขอพระคุณค่ะสาธุสาธุนะคะหลวงพ่อค่ะอ่ไปที่คุณสาธกาต่อสาธะปั่นธรรค่ะอาจารย์ไม่มีอะไรยังไงธรรมของของคนจีนดีไหมดีค่ะ อ่ว่าจะเป็ไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนจีนฝรั่งก็ก็ก็สนใจธรรมะเหมือนกันนะครับเก่งมากเลยครับเป็นที่พึ่งธรรมะเป็นที่พึ่งของคนทุกคนอไม่เลือกไม่เรื่องชนชาติไม่เลือกว่าจะเป็นไทยไม่เือเป็นจีนเหมือนยายานี่คนไทยก็กินได้คนจีนก็กินได้ใช่ไหมปฏิบัติเราธรรมะก็เป็นยาธรรมะอุสมรักษาใจ ค่ะปฏิบัติทุกวันค่ะอกินทุกวันนะกินธรรมะทุกวันนะมันกินวิตามินรวมนะปั๊มเทพระอาจารย์ทุกวันเลยค่ะโอเคคุณนันทภัทรนีสมาชิกเก่าให้ยไลายเดือนเป็นปีแล้วมั้งกลับนวัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้เข้ามาน้องกลับระลึกถึงพ่ะคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก็ย yeah. ังปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะก็โจทย์แรกก็คือเป็นแจ๋วก็ดําเนินก <No> ็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเจ้าค่ะความที่ขัดเครืองก็น้อยลงไปเป็นลําดับเจ้าค่ะพระอาจารย์ในการยอมหยุดเย็นเจ้าค่ะก็หยุดเป็นเจ้านายเป็นเป็นเป็นฐานะนภาพจากเจ้านายมาเป็นแจ๋วนี้ค่ะค่ะก็น้อมที่พระอาจารย์บอกว่าเราเป็นแจ๋ว ไว้ในใจเสมอเพราะว่าการที่ดูแลพ่อกับแม่สองคนเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วเขาก็จะมีความต้องการต่างกันในแต่ละแต่ละครั้งแต่ละเวลาแต่เราเราพยายามที่จะจะพยายามที่จะซัพพอร์ตเขาให้ได้มากที่สุดเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ก็ได้เก้าสิบเก้านะเจ้าค่ะพระอาจารย์บางครั้งก็ก็จะมีแย้งด้วยเหตุผลบ้างแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะ น้อมที่เขาให้ทําก็พยายามทําให้ได้ตามที่เขาต้องการเจ้าขาผ่าจันเนี่ยเขารู้สึกดีขึ้นแน่กับเราดีเจา้จาขาก็แอ บ, บได้ยินเขาไปคุยกับคนอื่นเวลาที่คนอื่นถามว่าลูกสาวอยู่ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยเจ้าข่าเหมือนมีความรู้สึกดีออกมาในการพูดให้คนอื่นฟังลูกก็ก็ดีใจอยู่เจ้าขาผ่าจารย์ค่ะนี่มีโอกาสทดแทนบางคนนีบทำเช่นนะเนี่ยเดี๋รวกมาเสียใจในภายหลัง เจ้าค่ะเพราะว่าอันนี้ลูกลูกน้อมรับเลยเจ้าค่ะเพราะว่าเห็นหลายคนที่พอท่านจากไปแล้วค่อยมาเสียใจอันนี้มันแก้ไม่ได้แล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ได้ได้ประโยชน์เยอะอาจารย์รับใช้เป็นบุญเป็นบุญศรีค่ะแล้วได้ฝึกลดทิฏฐิด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างมากเพราะว่าลูกจากเขาไปสามสิบปีอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วต้อง ต้องเหมือนหักดิบเจ้าข่าพระาอาจารย์มามายอมอยู่กับเขาแล้วทําตามที่เขาต้องการมันมันก็ใช้ถ้าเราไม่ลดตัวตนมันยากอยู่เจ้าข่าพระอาจารย์เพราะว่าตัวตัวนี้เป็นตัวประสาทค่ะเพราะว่าตอนที่เราทํางานเราอยู่คนเดียวที่กรุงเทพเราเป็นนายตัวเองใช่ไหมเจ้าคะแล้วอพอกลับมาบ้านเราต้องทําตามที่คนอื่นบอกโดยเฉพาะพ่อแม่อย่างนี้เจ้าคะมั น, ม, นมันเรามี เขาเรียกว่าชุดความคิดที่เป็นองค์ความรู้หล่ออยู่ใช่ไหมเจ้าคะ่ะพระอาจารย์<ม>เราต้องถอดออกถอดออกถอดออกไปเรื่อยๆเลยเจ้าคะพระอาจารย์ไม่งั้นเราเราจะรับใช้เขาไม่ได้เจ้าคะ่ะแต่เราก็มีเวลาของการปฏิบัติของเราบ้างใช่ไหมอ๋อมีเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ลูกจะกลับที่เข้ามาจะกล่าวเรียนพระอาจารย์ว่ายังปฏิบัติและและเหมือนลูกทําเหมือนอยู่ที่วัดเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ตอน<ม>ที่อ่าดูแลเขาเช่นเตรียมอาหารหรืออะไรก็ ก็คิดว่าตอนอยู่วัดมันก็จะมีเวลาที่ทานอาหารใช่ไหมจ๊ะคะเตรียมอาหารเรียมสมุนไพร์บ้านอามันก็เป็นพระของเราใช่นะคะแล้วก็ทําอันนี้เหมือนกิจวัตรแล้วพอเขาก็พอเขาทานอาหารเสร็จกิจกรรมของเขาสองคนก็คือดูมือถือใช่ไหมจ๊ะค่ะลูกก็ไปหลังบ้านเจ้าคะ่ะพาจาย์ไปหลังบ้านจะเป็นสวนเล็กๆ เ, เจ้าคะ่ะก็เดินจงกรมแล้วก็มาฟังธรรมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะปิก ตัวของเราออกมาปฏิบัติเวลาที่เราไม่ได้รับใช้เขาแล้วอย่างเงี้ยเจะขาดบาทจ้ะค่ ะ, คะก็ได้จะกลาบเรียนพระอาจารย์ว่าได้ปฏิบัติไปด้วยโดยเฉพาะเดินจงกรมออ่หลังบ้านจริงๆตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นสัปปยะคําว่าสัปปยะคือมันมันพอเหมาะกับการปฏิบัติได้เจ้าค่ะมันมันพอเหมาะได้เจ้าค่ะสบายสบายแปลว่าสบาย เจ้าค่ะคือมันหลังบ้านมันเป็นสวนเล็กๆแล้วมันเป็นอยู่ติดโลตัสใช่ไหมคะโรตัตรมันก็จะเป็นที่โลง่งลมมันก็จะผ่านเข้ามาอย่างเงี้ยเจ้าขาพระอาจารย์<ม>เวลาเราเดินเราก็แล้วก็เหมือนเหมือนเสมือนหนึ่งว่าเราอยู่วัดได้เลยอย่างเงี้ยเจ้าขาพระจานทร์ดีค่ะก็ค่อนข้างจะกล่าวว่าเป็นบางทีบางทีดีกว่าวัดอย่งเราไม่ต้องเยีะกว่าคนมากอ่ะอะอันนี้ลูกจะบอกเหมือนกันเจ้าขาพระอาจารย์คือพอพอเรา พอเรารับใช้พ่อแม่เสร็จเราออกมาอยู่หลังบ้านลูกก็นึกเออถ้าอยู่วัดอาจจะต้องแบบมีอะไรเยอะกว่านี้อย่างเงี้ยเจ้าาวอาจาอาจะานั้นเจอคนนี้อาจจะมีงานอย่างอืง่อนเพิ่มตามขึม้นมาอีกก็ได้ ใช่เจ้าค่ะเพราะว่าอยู่บ้านเราสามารถจัดการงานของเราได้ใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะว่ามันจะมีเวลาคืออ่าหลักๆคือเตรียมอาหารใช่ไหมเจ้าค่ะ<ม>ทําอ่าบางทีเขาก็อยากทานอาหารที่ทําเองอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ<ม>ก็ก็การเตรียมอาหารเราก็มีสติในการหัน่นมีสติในการทํำอะไรเงี้ยเจ้าค่ะก็ฝึกสติไปด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วพอเวลารับใช้เขาเสร็จก็ปิกปิดตัว ลูกก็ไม่ได้ดูเหมือนอยู่ตอนอยู่กรุงเทพเลยเจ้าค่ะไม่ได้ดูทีวีไม่ได้อะไรทักเท่าไหร่แต่ก็อาจจะมีผ่านตาเวลาคุณแม่ดูอย่างเงี้ยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็มีเป็นเหมือนดูเป็นเพื่อนเขาบ้างแต่จริ ง, รงๆเราก็ดูก็ไม่ได้แบบติดนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เอามาพิจารณาด้วยว่ามันมันเป็นเรื่องกิเลสคนอะไรอย่างเงี้ยเจ้ค่ะมันน้อมเข้ามาเป็นธรรมได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ ะ, คะจุดที่มีความสงบพอสมควรมีมีความสงบพอสมควร ความความคิดที่เป็นอ ก, กุศลน้อยลงเจ้าค่ะพระอาจารย์เยอะเลยเจ้าค่ะพระอาจารยอ์อันนี้คิดไปทางปัญญาคิดไปทางตายรับบ่อยๆก็จะจะกาลาวเรียนพระอาจารย์ว่าที่น้องจะแม้กะเจส ต, ตี้ท่องอะเจ้าค่ะลูกลูกเป็นคนไม่เก่งคือลูกก็เอามาแค่นี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ความแก่ความเจ็บความตายเจ้าค่ะพระอาจารยอ์อันนี้ก็ตายรับแอันนี้จะไม่เที่ยม ค่ะก็ก็พิจารณาอันนี้อยู่ยเป็นประจำหรือบ่อยๆเพราะว่าแล้วลูกก็เอาความแก่ไปใส่กับธาตุสีว่าความแก่มันคือธาตุที่มันเสื่อมใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วแล้วก็ความป่วยก็คือธาตุมันไม่สมดุลอืแล้วก็ความตายก็คือที่พระอา<ก>จารย์ธาตมันแยกทุกอ่างธาตมันแยกแต่แต่ลูกชอบที่ขอบเพราะคุณพระอาจารย์ที่พระอาจารย์เคยสอนลูกว่าการตายมันคือการด i s c o n n e c t นะ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์อันนี้มัน จิตมันตัดการติดต่อจากร่างกายไปค่ะอันนี้มันทำให้ลูกเหมือนเหมือนเข้าใจการที่กายไม่ใช่เรามากขึ้นแต่มันสั่งสมไปได้เรื่อยๆนะเจ้าค่ะพจาาคพอคิดอันนี้มันมันก็พอมีช่วงที่ลูกไม่สบายมันก็มันก็มีความรู้สึกเข้าใจมากขึ้นความทุกข์มันก็น้อยลงกับกับการเกิดมีการแก่การการเจ็บอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นร่างกายความจริงไม่คนจะทุกข์เลย ใช่แล้วค่ะนั่นคือเป้าหมายที่ลูกพยายามปฏิบัติ<ม>คือทำยังไงเราจะไม่ทุกข์กับความเจ็บที่ที่เกิดขึ้นนะจ๊ะค่ะแล้วก็ทำยังไงเราจะรับความตายได้อย่าง<ม>ความตายลูกก็จะคิดเรื่อง disconnect ค่อนข้างให้ได้ให้ได้สู่ใจได้มากเนะะี้ยจ้ะต้องมอีต้องสร้างอุเบกขาขึ้นมาค่ะต้องสร้างนั่งสมาธิให้เกิดอุเบกขาแล้วก็จะปล่อยวางได้ลูกลูกจะกล่าบเรียงความก้นหน้า อีกนิดหนึ่งเจ้าคะพระอาจารย์สมัยก่อนที่ลูกกล่าวเลียงพระอาจารย์ว่าลูกนั่งไม่ได้ใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์ลูกได้แค่เดินกับกับทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันมีเวลาที่ลูกทำงานล้างจานหรืออะไรเสร็จขึ้นมาตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเจ้าคะมันก็จะเงียบสงบนิดหนึ่งใช่ไหมเจ้าคะลูกก็ลองนั่ง เหมือนนั่งแบบสมาธิแต่รู้จะใช้หลักการที่อาจารย์เคยสอนว่าถ้ายังไม่สงบให้สวดมนต์ก่อนใช่ไหมเจ้าคะ่ะ<ช>ลูกลูกก็จะสวดมนต์ไปไปจนถึงจุดหนึ่งแล้วลูกก็ลองพุทโธไปเรื่อยๆทีนี้พอเกิดอาการของของเวทนาใช่ไหมเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เจ้าคะมันเหมือนเราเราซอฟมันซอฟลงอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่แต่ไม่มั น, ม, น, ม, นมันเป็นความทุกข์ในใจน้อยลงนะเจ้าคะคือเหมือนมันเห็นความทีท่เรา เราคิดมากๆมั้งเจ้าคะว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เราอ่ะเจ้าค่ะร่างกายอ่ะมันเหมือนมันได้มากขึ้นค่ะมันเข้าใจมันเข้าใจว่าว่าว่าตรงมันไม่ได้แบบทนแบบสมัยก่อนที่ไม่ต่อต้านไม่ต่อต้านอ่าใช่เจ้าค่ะพระอาจารย์มันไม่ได้ทนแบบต่อต้านแบบว่าแบบอดทนอดทนแบบเหนือยแตกอย่าเงี้ยมันไม่ได้แบบแตกปล่อยวางมากกว่าทนแบบปล่อยวางค่ะมันนั่งไปได้แบบปล่อยวางแล้วมันก็ได้ประมาณชั่วโมงครึ่ง ประมาณนั้นเจ้าขาพาจารย์จากเดิมที่นั่งไม่เคยได้เลยเจ้าขาพาจันค่ะค่ะมันแต่แต่ก็ก็เห็นความความก้าวหน้าตรงที่มันเห็นแบบปล่อยวางมากขึ้นมันไม่ได้อดทนอย่างเดียวเจ้าค่ะพอาจารย์ดีมากความจริงว่าอดทนไม่ไหวเราเราต้องใช้กูเบรขาใช้สติที่สำคัญคืออย่าไปสนใจกับมันปล่อยมันเป็นไปเราอยู่กับความเราอยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมไป แล้วใจเราก็จะไม่วุ่นวายไม่ไ ม, ไม่ไม่ทุกข์ทรมานเจ้าค่ะนะคะก็ก็การการที่เราทําสม่ําเสมอมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเจ้าค่ะในเรื่องสติเจ้าค่ะมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆยิ่งทํากขึ้นยิ่งเข้าใจมากขึ้นวิธีปล่อยวางว่าปล่อยอยังไงค่ะมันมันมันเหมือนกับว่าเราเรามีความสบายในการปฏิปฏิบัติมากขึ้นอย่างนั้นเจ้าค่ ะ, คะถูกต้องค่ะก็ก็ลูกก็ทําไปเรื่อยๆพราะเพอะ อ, อย่างเจริญสติมันก็ ความเผลอในการเข้าไปในห่วงของการทํางานมั น, ม, นมันยังติดมาตั้งแต่สมัยทํางานสามสิบปีใช่ไหมเจ้าคะ่ะพระอาจารย์มัน mm hmm. มันเวลาลูกทํางานลูกจะเป็นคนที่เพ่งมากอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะ mm hmm. บางทีร่างกายมันก็สเตรสเกินไปลูกก็จะต้องมาฝึกแบบมีสติรู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นในการทํางานอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็พยายามอยู่เจ้าคะ่ะพระอาจารย์ดีค่ะสตินี้จําเป็นที่สุดตั้งแต่เดินตั้งแต่เดินจนหลังนี้ต้องมีสติประคับประคองใจตลอดเวลาค่ะ เพราะว่าอย่างพระอาจารย์บอกว่าตั้งแต่ตื่นจนหลับใช่ไหมเจ้าคะ ล, ลูกตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้สดชื่นเลยนะเจ้าคะพระอาจารย์ไม่ไม่ ง, งัวเงียก็มันก็ติดการสวดมนต์ใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์พอตื่นขึ้นมามันก็สวดมันตั้งใจจะสวดมนต์ได้เลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็ <S <S แล้วก็ <S 2> <S 2> วก็ <S <S อบอกคุณแม่ว่าขอลงไปไปไปช้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็คือลูกจะสวดมนต์ด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าบริหารร่างกายด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่า เนื่องจากว่าร่างกายเรามันสเตสมามากสมัยก่อนใช่ไหมเจ้าค<ม>่ะลูกต้องยืดยืดเหยียดแล้วก็อายุมันมากขึ้นเหมือนเส้นเอ็นใช่ไหมเจ้าค่ะผู้อาวุโส ม, มันมันต้องการการปรับให้มันยืดหยุ่นมากขึ้น อ, อย่างเงี้ยบางทีถ้าเราสวดเป็นใจล้วก็ทําคู่คู่กันไปได้เลยใช่ค่ะเจ้าค่ะเจา้าค่ะผ<ม>ู้อาจารย์แต่แต่ลูกจะนับพอดีจะนับแต่ลูกจะสวดก่อนก่อนออกออกออ ก, ออ ก, ออกยืดเหยียดเจา้าค่ะจะ<ม>จะสวดมนให้เสร็จ จุดหนึ่งแล้วก็ให้จิตมันสงบก็ก็ <ๆ S 1> ยืดเหยัดก็จะมีสติในการทําทําทํากับร่างกายอย่างเงี้ยเจ้าขาพ<ข>าจัดค่ะดูาลกายด้วยดูลาใจไปด้วยพร้อมๆกันค่ะเพราะวา่าเพราะว่าลูกลูกมาพ้นภพอย่างหนึ่งก็คือลูกเป็นประเภทแบบสเตสมามากเกินไปเจ้าขาพาจาัด อ, อาจอาจจะต้องผ่อนคลายนิดหนึ่งการเดินมันเลยได้ผลมากมากกว่านิดนึงเจ้าค่ะ เพราะว่าเพราะว่าตอนทํางานเนี่ยมันทํางานถึงเที่ยงคืนตีตีหนึ่งอะไรเงี้ยมันเหมือนร่างกายมันได้รับสเตรสมาเป็นเป็นตัวที่ทําให้เราแบบล้าล้าอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพันจั่นก็เลยต้องเธอทางสายกลางไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปค่ะลูกลูกก็พยายามดูดูทางสายกลางของตัวเองอยู่อยู่เสมอเจ้าค่ะเพราะว่าจะพยายามซื่อสัตย์กับตัวเองแบบไม่เข้าข้างให้ให้ให้มาก เกินไปอย่างเงี้ยอรตามความเป็นจริงอยูู่ให้เห็นได้ผลต้องต้องขอขอขมาพระละตันทไตเพราะบางทีร่างกายรูกแบบท้าทางโลกมันมากใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ลูกบางทีลูกนอนสวดมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่ไหมการปฏิบัตินี่ปฏิบัติได้ในทุกิริยาะบ่อยค่ะการสวดมนต์นี่ก็เป็นการปฏิบัติอย่างเลงค่ะถ้าเราอยู่คนเดียวนะถ้าเราอยู่คนเดียวอ๋ออยู่ในห้องคนเดียวเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าเราถ้าเราอยู่กับคนอื่นก็ต้องเรียบร้อยหน่อย ค่ะถ้าถ้ า, ถ, า, ถ, าถ้าตอนที่แบบทางโลกมากแล้วร่างกายมันสเตจแล้วทําให้ปวดศีรษะเหมือนเหมือนสมัยทำงานอย่างเงี้ยเจ้าค่ะลูกก็จะนอนสวดมนต์ไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ะเพื่อให้มันมันผ่อนผ่อนคลายเจ้าค่ะแล้วก็คุณหมอก็มีให้ยาคลายกล้ามเนื้อมาแต่ลูกไม่ได้กินจนติดนะเจะ้าค่ะมันจะกินแค่บางช่วงที่มันสเตจมากๆจนมันจะเป็นตะคิวอ่ะเจ้าค่ะผ่าจากก็ก็ต้องให้มันคลายไปบ้างเจ้าค่ะอืมใช่ค่ะอืมก็โดยรวม ก็ปฏิบัติได้ได้ไ ด, ไดส้สบายมากขึ้นเจ้าค่ะอากุศลไม่ค่อยมีมันเลยทําให้เราไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรมากไปก็ค่ะไม่มีสังคมด้วยไม่มีสังคมกับใครอันอันนี้คือจะยืนยันว่าขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเท่รู้ตัดสินใจแบบนี้เพราะเป็นสิ่งที่ดีที่ที่สุดที่ลูกตัดสินใจเจ้าค่ะมันมันเหมาะกับลูกเองด้วยแล้วก็เหมาะกับการปฏิบัติด้วยเจ้าค่ะเราไม่ต้องเจอคนเยอะแล้วก็เราเจอแค่แค่พ่อแม่พี่น้องเรา เราก็สามารถที่จะควบคุมควบคุมการปฏิบัติและก็การดําเนินชีวิตได้เจ้าค่ะพาร์ชานเราก็ต้องลงไปจับจ่ายเข้าของให้กับพ่อแม่ด้วยนช่ไอ๋อมีไปแต่เดี๋ยวนี้อ่ามันมีช้อปปิ้งออนไลน์เจ้าค่ะขนาดลูกบ้านค่ะคือบ้านลูกอยู่ติดหลังโรตารเชเลยใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ลูกก็สั่งออนไลน์ให้เขาขับมอไซค์มาส่งเจ้าค่ะพาารย์ชาเราก็ลดภาระในการขับรถไปซื้อแล้วต้องขนต้องอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอ่ดีสมัยนี้ มันมันมันสะดวกเจ้าค่ะแล้วก็มีแค่เรื่องยาเจ้าค่ะยายังสั่งไม่ได้ก็มีแค่ยาหรืออะไรบางอย่างที่สั่งไม่ได้ค่อยเดินไปซื้อเป็นบางครั้งหรือเดินไปกดเงินให้คุณพ่ออย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็จะมีแค่นี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะสั่งโ ล, โลตัสช้อปปิ้งออนไลน์แล้วก็มาส่งที่บ้านเจ้าค่ะเนี่เก็บตัวให้มากที่สุด อ่าเจ้าค่ะส่วนมากธุรัก็จะเป็นพาคุณแม่ไปหาหมอพาคุณพ่อไปหาหมออย่างเงี้ยเจ้าค่ะไปทุรัเรื่องการเงินให้คุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ก็รับใช้ซะส่วนใหญ่เจ้าค่ะใช้ข้อแม่แล้วมีความสุขมีค่ะอ่าดีค่ะเจ้าค่ะพระอาจาร์วันนี้ไม่มีเจ้าค่ะก็มาน้อมกับขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะและรึกถึงคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะติดตามพระอาจาร์ทางเฟซบุ๊กเสมอเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ติดตมต่อไปถ้ามีคําถามว่าเข้ามาได้นะค่ะค่ะค่ะกลาวขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับจากธรามศาสการครับอ่าต่อเพื่อคุณคุณหมอรุเองเรือง อ, อ่านชื่อผิดมันครับอาจารย์ครับธรมรมศาสการครับอ่าเป็นยังไงบ้างอาทิตย์นี้ช่วงนี้ผมก็ปฏิบัติเพิ่มขึ้นครับอาจารย์ก็ตั้งแต<ม>่ เ, เช้าก็พุดโทรต่อรู้ตุง ตั้งสติก่อนเพื่อนเลยําต้นด้วยด้วยสติแล้วตั้งสติมันจะได้ตามมาได้ถ้าไม่เริ่มตอนนั้นมันหายไปทั้งวันเลยครับก็พุดโอแล้วก็สวดมนต์ครับพระอาจารย์ตื่นเช้ามามได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับอืมดหลังจากนั้นก็พุธโธทั้งวันนัศมีที่ผ่านมามีความตั้งใจตั้งสมาธิเป็นชุดๆครับพระอาจารย์ชุดละสามสิบนาทีครับ<ม>อืมเจงน้อยนะครับสามสิบนาที เด็กก็พบความสุขแบบที่ไม่น่าเชื่อครับอาจารย์อืมใช่ดีขึ้นเลยลุงเทศแนวความสุขทั้งปวงอยู่ในวามสงบเนี่ยครับอาจารย์เป็นความสุขมากๆเลยครับอืมผมก็ใจแล้วครับว่าทําไมสมัยก่อนเนี่ยฟังว่าไม่อยากเหมือนกับชนะความอยากนะอะไรเงี้ยฟังรู้ว่าทุกอย่างเลยครับอาจารย์อืมแต่ทําไม่ได้แต่มันไม่มีความสุขในตัวครับแต่ว่าถ้าเราทําสมาธิแล้ว ทำสมาธิกับกลับมาแล้วแบบชนะความอยากเนี่ยมันคนละอย่างกันเลยครับอาจารย์อืมครับมันมันคนละมันง่ายครับก็ไม่อยากอะไรเลยไม่อยากมีงานเลี้ยงอยากไปทำสมาธิมันทําให้ใจเราอิ่มครับอาจารย์พอิ่มมันก็ไม่อยากได้อะไรใช่ครับจริงจริงที่อยากได้มันก็สู้สิ่งที่เรามีอยู่ไม่ได้ใช่ครับอาจารย์มันมีความสุขอะครับอเป็นพอแต่ก่อนเนี่ยก็เข้าใจก็ฟังธรรมะก็เข้าใจนะครับ มันเป็นความจําอะครับใช่ยังไม่เข้าถึงใจใช่ครับปฏิบัติต้องปฏิบัติใจครับอาจารย์แต่ตอนเนี้ยเข้าใจลึกเข้าใจมากพ อ, อ, อ, อ, อเห็นความทั้งหมดแล้วมันจะเริ่มเข้าใจทำนะครับครับอาจารย์เมื่อก่อนยังไม่เข้าใจครับแล้วก็มีความตั้งใจจะนั่งสมาธิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับให้บ่อยขึ้นมากขึ้นใจครับผมก็กล่าวว่าถ้าว่างก็นั่งเลยครับตอนนี้อา่าว่างก็หลับตานั่งสมาธิพุทโธพุทโธครับอืม แล้ผมมีคําถามพระอาจารย์คือว่าปกติแต่ว่าผมนั่งเก้าอี้นะครับพระอาจารย์แต่ว่ามันพระอาจารย์ผมนั่งก็ค่อยจํากัดถ้านั่งเก้าอี้มันอาจจะนั่งไม่ได้นานมันก็นั่งนั่งกับพื้นนั่งขัดสมาลว่าแต่จริงนั่งเก้าอี้นั่งได้นานครับพระอาจารย์ได้ได้ก็ดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่นานมากนะครับแต่ว่าที่นั่งกับพื้นไม่ได้เพราะว่าอย่างเวลาอยู่ที่เขามันไม่มีที่ทํางานไม่สะดวกด้วยได้กับไปนั่งกับพื้นแต่งตัวด้วยอะไรมันไม่ไม่เหมาะกับการนั่งขัดสมา คบางทีคนจะมาเคาะห้องเรียกเราอะไรเราเขามองนั่งนั่งเดี๋ยวก็หาว่าเราไม่ทางานอาจารย์ถามว่าครับมีความสุขครับพระอาจารย์ครับก็ผมจะตั้งใจนั่งเพิ่มปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเนีเพราะว่ามันมีความสุขเองที่เราอยากครับต้องมีเป้าหมายต้องมีอธิษฐานสัจจะอธิษฐานใช่ครับใช่ครับผมก็เริ่มอธิษฐานว่าจะขอเป็นสามสิบนาทีคูณสองวันหนึ่งสองครั้งเพราตอนสามสิบนาที เป็นชุดๆครับอาจารย์แล้วก็ให้มากที่สุดอืออย่างน้อยวันหนึ่งต้องได้สองครั้งสวดมนต์นี่สวดยาวมากวันหนึ่งผมสวดมนต์ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอยู่แล้วอะครับแต่พุโทโธก็ตั้งใจว่าพุโทโธทั้งวันครับก็ไม่น่าเชื่อจริงนะครับพระอาจารย์ว่าทำบมาสิ่งเหล่าเนี้ยมันมีความสุขในชีวิตบ้างๆจริงครับใช่เพราะพระเจ้ า, า จ, ะจะทิ้งชีวิตในวางไว้ได้ครับอืคือถ้าไม่มาไม่มาทําเองไม่มาติปฏิบัติเอง ครับการนี้เหมือนได้ความสุขใจเย็นใจอย่างไรครับแล้วพอพวกอย่างอื่นเราก็ไม่อยากได้คราบพระอาจารย์ไม่อยา ก, ก, เ, รากดดเราก็ไม่ต้องไปวุ่นดินหอนไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาครับก็ทําหน้าที่เราไปครับอืหนึ่งที่ที่ผมถ้าคนฟังในรายการนะครับสมมติว่าก่อนจะเข้าทําสมาธิเนี่ยบางทีมันมีใจแบบใจตกก็มีนะครับพระาอาจารย์บางทีหรือก ม, มีอาจจะมีใจเบื่อเบื่อมี แต่พอนั่งสมาธิสามสิบราตีออกมาเนี่ยมันหายเลยหายครับอาจารย์แล้วเป็นความเบื่อเป็นการอยากความอยากแล้ า, าทําใจสงบความอยากหายไปมันก็หายเบื่อจริงๆครับพระอาจารย์เพราะว่าบางทีก็มีแบบแบบเบื่อแบบแบบแบบความเบื่ออยากจะทํอาะทอะไรแปลกๆใหม่ๆของกลามันจําเจครับนะแต่พอทําทใจให้สงบความอยากมันก็หายไปจริงๆครับพระอาจารย์ครับ พิไปบังคับเรียนพระอาจารย์นะครับแล้วก็อดีสัปดาห์หน้าผมก็ผมไปต่างประเทศอาจจะไม่ได้เข้ามานะครับอาจารย์เวลาต่างกันมากครับตามสบายแล้วแต่เดี๋ยวจะเข้ามาได้เรื่อยๆครับตอนนี้มตอนนี้ไม่ได้บังครับใครจะเข้าเรียนก็ได้ไม่เข้าเรียนก็ได้ครับครับแต่ว่าจะพยายามเข้าแต่ว่าอาจจะอาจจะได้เปิดฟังอย่างเดียวเพราะว่าจะสนทนาไว้ได้ก็เข้าอีกต้องอีกช่องทางหนึ่งได้ตามสบายแต่พอาจารย์ กับขอให้อาจารย์พาดขาเขนแะไรนะครับอยู่ที่ไหนถ้ามีเวลาก็ให้ปฏิบัติปฏิบัติอาคารเนี่ยตรงไหนว่างก็รีบทาเสคีครับครับตอนนี้ก็ตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสเมื่อไหรก่ก็ตอนนี้นั่งสมาธิไม่ยากแล้วครับพระอาจารย์อืมที่เวลาอะไรก็หลับภาพแล้วยินดีแล้วมีฉันทาวิรยิยตามาครับยากไม่ยากหรอกครับพระอาจารย์ที่บาทสี่นะครับครับแต่ว่าอย่างถ้าท่านนั่งสมาธิไม่ได้ก็จะพุโทโธตลอดครับอืมพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยเวลา ประชุมก็ยังพูดโโธได้ครับได้ครับไม่มีใครรู้ว่าเราทําอะไรอยู่ในใจเราอาจารย์อืที่เราเป็นคนฟังแบบรับฟังอะไรได้มากขึ้นด้วยครับอืครับพระอาจารย์แล้วสำหรับผมตั้งใจจะจะนั่งสมาธเมิเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับดีมากดีมากครับกครับกลับแล้วนะอาจารย์ขอพระอาจารย์ท่านแข็งแรงนะครับสาธุนะต่อด้วยคุณแนนเชิญคุณแนน อ่าแนนปดไม่ได้หรือยังขอบคุนะครับกระสการ์างฟได้ยินไหมคะได้ยินจ้ะอ่าร้ว่ามีคาถามก็วค่ะยังอยู่ที่ทางานอยู่นะไม่ค่ะอันนี้อยู่บ้านแฝงค่ะโอเคโอเคคอเคโอเอเคโอเเคโเเคเคโอเคเเอคเเคโอเเเคคโอเงแรเ เอเชิญพูดได้นะเออผมขอขอเ น, นี้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์นะครับก็เม่างเข้าเข้ามาก็ถือเป็นลูกศิษย์อัตโนมัติคือตอนนี้ผมก็จะปฏิบัติวันหนึ่งก็อยู่ระบาดสี่ถึงเจ็ดชั่วโมงอ่ะนะครับคันนี้ก็จะมีสงสัยนิดหนึ่งคือปกติผมจะอ่านเวลาพวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติเนี่ยจะสู้จนแบบถึงที่สุดจนตัวตายแลกด้วยชีวิตอะไรยงไงครับคันนี้เราจะปลูก ฝังเรื่องไอลักษณะนิสัยอย่างนี้ไงให้เรื่อง mindset ของการว่าสู้มันถึงที่สุดเพราะวันนี้ผมมีปัญหาว่าบางทีนั่งสมาธิเนี่ยรู้สึกว่านั่งไปอชั่วโมง ก, กว่าเกือบสองชั่วโมงศกจิตมันจะบอกให้พอแล้วออกแค่นี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวค่อยมานั่งใหม่อะไรคือผมอยากว่ามันน่าจะไปได้แบบสุดสู้ได้มากกว่าเนี้ยครับจะมีกลนุบายในการแบบทําให้เราเคือเรียกว่าสู้ได้มากกว่านี้ไหมครับผมผมอยากผมจับก็กเสถียรให้ขึ้นมา พอเราจะรู้สึกจเลิอกอยากจะเลือกก็ก็เริ่มบริการพุโทโธไปต่อครับอย่าอย่านั่งเฉยเฉยอย่านั่งคิดจะเลือกจะเลิกต้องเริ่มความคิดนั่นเสีใช้พุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปท่องอาการสามสิบสองไปเหมือนกันเริ่มรอบใหม่รอบรอบนี้จบแล้วแต่จะเลือกเริ่มรอบใหม่เริ่มต้นรอบใหม่ต่อเลยครับเหมืนนอนมุมน่าเขาเป็มรองหนังเขาหนังเขาใชาท้ทีหลายหเร็ว คนนี้เจ้าเขาใช้เรื่องต่อไปเลยอีกแล้วมันดูจ่ายคนเดียวแล้วนั่งได้ดูจะดูกี่เรื่องก็ได้นั่งดูทั้งวันก็นได้ครับเพราะบางทีตอนนี้รู้สึกว่าบางทีแบบพอรู้สึกว่าอจิตมันอิ่มละมันก็จะอมไปได้ละเอออะไรยังไงก็ต้องใช้เป็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์ถ้าเราอยากจะเป็นเหมือนพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องนั่งต่อครับได้ครับคนนี้จะถามพระอาจารย์ครับมันมีอยู่คืนหนึ่งคืออผมบอกอาการผมนิดนึงตอนนี้จิตผมมันติดกับพุทโธจนนับแบบว่า ถ้าผมนั่งอยู่เฉยหอะไรเนี่ยผมจะได้เสียงภาวนาพุโทโธในหัวกล้องตลอดเวลาคันนี้มีอยู่วันหนึ่งหลับไปแล้วตื่นมาตอนกลางดึกรู้สึกตัวสติมีนะครับก็เ อ, อจิตมันบริกรรมพุโทโธละผมก็ดูลมหายใจต่อ <c oughs> ไปด้วยประมาณนะ่ะลมหายใจข้อประมาณสี่หครั้งจิตมันรวมโดยที่ไม่ตั้งใจฮะแล้วก็มันกําลังเริ่มพิจารณาการอยู่คันนี้ยเนื่องจากความที่บอลแล้วต้งแต่มาได้แป๊บเดียวมันหนอแต่คัเนี้ยผมหาสล็อตแบบนั้นไม่เจอว่า มันมีอะไรที่เราจะรู้ว่ามั น, ม, นมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทําให้จิตมันไม่ได้รวมกับไปแบบนั้นคือมันรวมเดือกระเบิดนะครับพระอาจารย์มันจะมีวิธียังไงเราถึงจะเจอสล็อตนั้นอีกอีกทีครับก็ต้องทําบ่อยๆจะนั่นสตบบบสิบ่อยๆนั่งสมาธิบ่อยๆส่วนใหญ่บางทีเวลานั่งมันจะไม่สงบแต่พอเราไม่ได้นั่ ง, ง, งแล้วนั่งแล้วจิตเราไม่ได้จดจ่อ ก, กับผลพอจิตเราว่างไม่ได้คิดอะไรมันก็มันก็จะสงบของมันเองโดยอตโนมัะกันเลย งั้นอย่าอย่าไปอย่าไปเพ่งอย่าไปอย่าไปคาดอย่าไปหวังความสงบครับเพราะยิ่งเราไปเพ่งไปหวังมันจะไม่สงบบางทีมันต้องให้จิตเราว่างๆไม่มีอะไรคิดไม่มีเรื่องอะไรเข้ามาถ้ามันก็จะสงบของมันเองครับไ ม, ไม่ไม่ต้องกังวลนะเรื่องผลขอให้เราทําให้เหตุให้มากก็แล้วกันคือเจริญสติให้บ่อยครับนั่งสมาธิก็ให้มีสติอย่างต่อเ น, นื่องถ้าดูลมก็ดูลมอย่างเดียวอย่าอย่าเพิ่ไปคิดเรื่องอื่น ถ้าพุทโธก็อยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องเลยครับมันอาจจะไม่สงบรวมแต่มันอาจจะค่อยๆเบาลงเบาลงเบาลงนะส่วนเป็นซาโลมีบางทีมันไม่แน่บางทีมันอาจจะเจอเหตุการณ์หรือเจออะไรบางอย่างมันทําให้มันปล่อยวางขึ้นมาเองมันก็จะสงบเองได้ครับอันนี่มันมันถือว่ามันเป็นเรื่องเรื่องเออเหมือนโอยนวันตีก็ไม่แน่นอนอย่าไปหวังอะไรจากมัน ราหวังจากการเจริญสตินั่งสมาธิของเราไปไเรื่อยๆ ถ, ถึงเวลามันจะรวมมันวมรวมเองยังไม่ถึงเวลาก็แสดงอ่าปัจจัยยังไม่พร้อมสติยังไม่พร้อมเจริญสติต่อไปเวลาหลังจากการนั่งสมาธิก็ต้องเจริญสติต่อจเจริญทั้งวันทั้งคืนเลยยกเว้นเวลาละครับ ว่าตอนนี้ผมโชคดีที่จิตมันภาวนาด้วยตัวบันเองเนี่ยผมก็สบายนิดหนึงว่ามันอยูเอชไเนี่ยเสียงมันก็บริกรรมก็จะก้องกล้องในหัวมาแล้วใช่แต่ไ<น>ม่ก็ถ้าเราไปคิดเรื่องอื่นด้วยมัน ก, นก็ก็ยังไม่ถูกต้อง<ช>มีเสียงต้องมีแต่บริกรรมอย่างเดียวอย่าไปคิดอย่างอื่นด้วยได้ครับแล้วคันนี้<ม>สัดส่วนการปฏิบัติเนี่ยถ้าเกิดผมสังเกต ด, ดูรู้สึกว่าพระป่าแต่ละองค์เนี่ยจะเดินจงกรมเยอะคันนี้สัดส่วนก็น่าสมัยที่กระเดินจงกรมเดีย่ยจริงๆแล้วควรจะเป็นแบบไหนครับ มันไม่แน่นอนมันไม่ตายตัวนอกจากการพัฒนาการเริ่มต้นอาจจะเดินมากกว่านั่งแต่ต่อไปนั่งแล้วมันได้ผลดีกว่ามันก็จะนั่งมากกว่าเดินครับแล้วมันมันไม่มีสัตว์มั น, ม, ม, ม, น ม, มีอะไรตายตัวแต่ข้อสำคัญกขออย่ากใ ห, ให้ให้ทำให้มันต่อเนืน่องถ้าไม่นั่งก็ต้องเดินไม่เดินก็ต้องนั่งไปครับอ ว่าตอนนี้ตอนเดินเดินจงกรมคือตอนแยกจริงๆแล้วจิตกับกายผมมแยกกันละผมคือเวลาเดินจงกรมจิตผมจะเห็นเป็นร่างกายเดินและคราวนี้เนี่ยเมื่อสักเริ่มต้นเมื่อสักอาทิตย์กว่าเนี่ยจิตมันจะเห็นเคมองเข้าไปลึกในกายมันจะเห็นเหมือนกับมันจะมีอะไรกายอันนึงที่อยู่ข้างในแล้วไอ้จิตมันจะบอกตัวเองว่าไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ได้เป็นเจ้าของมันคือมันไม่ใช่ของเราคือตอนนี้เหมือนกับจิตมันเริ่มสอนสองปลุกไม่ควรจะไปสนใจมันมันหนอกเรามันหนอกเรบ คือรู้อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับอให้รู้กับกรรมฐานดีกว่าเอย่าไปให้นั้นปู่แต่งับเราต้องการความสงบมากกว่าความรู้คแต่ตอนที่เราปฏิบัติขั้นตอนนี้เราต้องการเจริญสมถะอามเจริญให้มากให้ให้กําจัดความคิดต่างๆให้มากอย่าไปส้ำใจกับความคิดต่างๆมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่มันบอกเราหรอความจริงครับอื ก็คือว่าง่ายๆเราจะเจออะไรก็ตามในระวหว่างระหว่างนั่งคือดูอย่าง<า>นี้ดูซื่อ อ, อย่าไปสนใจกรรมมาที่กรรมฐ า, า น, นต่อต่อยอยู่กับพุทโธอยู่กับลมเดี๋ยวของจริงมันจะปรากฏเวลาจิตรวมจิตรวมมันไม่ต้องมีใครมาบอกเราเราจะเห็นจิตกับกายแยกออกจากกันอย่างชัดเจนครับที่มันบอกเรานี่เป็นจินต น, นาการเป็นความคิดตรงแต่ไม่ใช่ของจริงแต่ของจริงแล้วมันไม่มันไม่บอกเราเราจะเห็นชัดชัดเลย ค่ะงั้นอย่าไปสนใจว่าเวาเห็นนู่นเห็นนี่เป็นของปลอม น, นคะครับขอให้มันสงบให้มันจิตรวมให้เป็นหนึ่งให้ได้แล้วมันก็จะเห็นของจริงนะครัก็คือว่าง่ายจิตเราจะเห็นตายแล้วก็ต่อเมื่อเราสามารถจิตมันรวมเป็นหนึ่งได้ใช่ไหมมันก็จะเริ่มเห็นอย่างตอนนั้นยังไม่ใช่ตายระตอนนั้นจะเห็นจิตแยกกับตายครับส่วนตายร่างนี่ต้องออกจากสมาธิแล้วมาสอนใจพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยง มันแค่เจ็บตายเป็นดินแน้ำมุมฝ่ายเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนมต้องสอนมันถึงจะเข้าใจมันถึงจะเห็นแต่ว่าจิตก็ต้องมีกําลังสมาธิพอสมควรเหมือนกันถูกไหมถ้าไ ม, ถาไม่ถ้าไม่มีกําลังกิเลส ม, มันก็ยังไปคิดนัาเหมือนกัครับและอย่างออครูบาอาจารย์ผมท่านจะเน้นอีกคํานึงว่าคําว่าโยนิโสมนัสิการเนี่ยซ้่งเข้าไปพิจารณาอย่างแยบถ่ายเข้าไปพิจารณาอย่างแยบถ่ายคือบ่อยๆจนกระทั่งมัน มันเห็นชัดเจนเห็นร่างกายนี้แก่เจ็บตายอย่างชัดเจนไม่สงสัยไม่ลังเลไม่ปฏิเสธไม่ต่อต้านครับเวลามันแก่ก็ยอมรับมันเวลามันเจ็บไข้ได้ปรวยก็ยอมรับมันเวลามันจะตายก็ยอมรับมันครับนนะอันั้นอ่ะโยนิโสครั บ, รบถ้ายังยังไม่เจ็บยังยังไม่ตายอยู่แสดงว่ายังไม่โยนิโสยังไม่เห็นจริงยังไม่ชัดเจน แางชัดเจนแล้วไม่มีทางไปนะทางไหนอยากเจ็บตานี้มันเป็นทางทางที่ต้องไปัด้วย ก, กันทุกคนัคบยอมรับมันเลยเท่าไหร่ความทุกข์มันก็จะหมดเร็วไปเท่านั้นถ้ายังไม่ยอมรับความจริงอันนี้อยู่มันก็ยังมีจะทุกข์ต่อไปได้รั บ, รบก็จะถามผู้อาจารย์อีกข้อหนึ่งครับแนวทางปฏิบัติจนเราถึง เข้าสิ่งมรผลนิพพานนะครับคือจริงๆผมก็ตัง้งแบบทําให้ดงที่สุดแหละชาตินี้คือไม่ก็มันรู้สึกว่าเราเกิดใหม่ของความสิ่ยงก็เยอะอาจจะไม่เจอโฆษณาสาหรือว่าอะไรเนี้ยอาจจะหลุดเกินก็อยากจบเลยชาตเนี้ครับบางตอนก็ต้องผ่านสมาธิให้ได้ก่อนเนี่ยครับพอจิตรวมเป็นสมาธิแล้วทีนี้เราออกจากสมาธิมันก็พิจารณาร่างกายให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเราเห็นลักษณะในขณะที่เราอยู่ในสมาธิเรารู้ว่าจิตกับร่างกายเป็นคนละตัวนะ แต่พอออกจากสมาธิมามันจิตมันก็จะกลับมารวมกับร่างกายแล้วมันก็จะคิดว่าเป็นเป็นร่างกายแล้วก็ต้องสอนจิตว่าไม่ร่างกายไม่ใช่เราของเราร่างกายเป็นดินน้ำลมฝ้ายร่างกายเป็นของไม่เที่ยงมันจะต้องจากออกไปวันใดวันหนึ่งเราต้องเตรียมตัวปล่อยวางให้ได้อันนั้นต้องเป็นปัญญาครับซึ่งตัวนี้มันจะเห็นคือจะเห็นด้วยตัวเองเมื่อเราถึงจุดๆนั้นใช่ไหยครับ ก็คือมันเริ่มเห็นที่ตอนนี้เข้าสมาธิแล้วเห็นว่าจิตกับร่างกายเป็นคนละตัวกันแต่พอออกจากสมาธิมันจิตกับร่างกายมันกลับมารวมกันพอกลับมารวมกันเราก็ต้อคอยใช้ปัญญาเตือนใจว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราต้องปล่อยอย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปเดือดร้อนกับมันมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปรักษามันได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้มันจะตายก็ปล่อยมันตายไปครับ อันนี้เราใช้ปัญญาสอนเพราะสัญชาตญาณเดิมมันจะกลับมามันจะยึดจะติดกับร่างกายมันจะลากยังโหม่ร่างกายอยู่เพรเพียงแต่เห็นด้วยสมาธิมันเป็นชือกชืวกขณะที่อยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมันก็มันก็หายไปนะความเห็นนั้นแล้นก็จะกลับมาเห็นเหมือนเดิมเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเหมือนเดิมครัแล้วก็ต้องใช้ปัญญาคอยคอยเตือนคอยสอนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราครับ โดยกระทั่งมันเห็นชัดเจนถึงเวลาที่ร่างกายเป็นนายก็ไม่เดือดร้อนกับมันครับนปล่อยได้อืมได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลองสู้กับสู้ต่อไปทีแล้วกันครับอเริ่มสนุกสนุกกับการสู้เนี่ยครับมันต้า ง, ง, งจิตต้งทำจิตรวมไม่ได้ก่อนถ้าจิตยั ง, งรวมไม่ได้ปัญญามันเกิดไม่ได้ครับปัญญายังไม่เป็นปัญญาเป็นความความคิดเฉยๆยังไม่ใช่เป็นความจริง ตอนนี้จิตถ้าเกิดจะรวมถ้าเกิดว่าเรากําลองสติเราเยอะขึ้นควา ม, มน่าจะเป็นในการที่สมาธิจะดีเอ้มันก็จะทำให้สมาธิเราดีขึ้นแล้วก็วจะทำให้การจิตรวมเพื่อส่งขึ้นถูกไหมจิตก็จะรวมนะจิตจ็จะรวมถ้าสติมากขึ้นครับดัง้นแสดงว่าช่วงนี้ผมก็น่าจะต้องเดินเดินจงกรมเยอะขึ้นอีกนิดหนึ่งก็ป่ารู้สึกว่าเดินจงกรมนเนี่ยสติน้<ะ>น้นสติมากขึ้นจะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้นอกจากเดินจเวลาอื่นก็ต้องจะริยนสติตลอดเวลา ก็แต่เริ่มตื่าขึ้นมาก็ต้องเริ่มสัดกานสติแลนะลูกขึ้นจากขึ้นจากที่นอนก็ต้องมีสติรู้อยู่แล้วว่ากําลังลุกกําลังเดินก็ต้องว่ากลังเดินกําลังทําอะไรก็ต้องรู้กำลังทําอะไรด้วยไม่เช่นนั้นก็ต้องมีพุทโธพุทโธในทุกตุลีอาบทในก็ไล้แต่อย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปครัต้องคุมตั้งแต่ตั้งแต่คูมตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยตั้งแต่เริ่มตื่าขึ้นมาเลยครับ่างกายเป็นเหมือนจิตเป็นเหมือนกับคนคน เป็นเป็นลูกเป็นนักโทษเนี่ยสติเป็นเหมือนอยามยาต้องคอยเฝ้าจับนักโทษอย่าให้มันหนีไปไหนผูกมั้กับร่างกายผูกมั้กับพุโทโธใช่ได้ครับอันนะมันถึงจะมีโอกาสที่นั่งนั่งสมาธิเราทําให้จิตรวมได้ค่ะแล้วอยากเดินจงกรมที่จิตมันรวมระหว่างเดินจงกรมนี้ได้ด้วยหรืเปล่าได้เหมือนกันแต่ว่าต้องเดินนานหนารือว่าต้องมีอะไรมากระ ท, ทุ้งเช่นไปเจอของที่เป็นภัยต่อจิตใจ ต่อทางร่างกายเช่ไปเจองูเข้าหรืออะไรทำนองนี้ไปมันอาจจะเกิดความตกใจแล้วมีสติแลก็อาไรก็จะรวมหรวมเข้าไปก็ได้นะถ้าไม่มี็้าไม่มีเหตุการณ์ปกติมันจะไม่รวมออก็คือจะเป็นสติแล้วคือจะได้กําลังของสติที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วเวลามานั่งสมาธิจะได้สงบได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นอ๋อครับไายคราบอาจารย์ครับอยู่ที่ไหนเนี่ย อ๋อผมอยู่กรุงเทพนะเดี๋ยวว่าันจันนี้เดี๋ยวว่าจะไปฟังธรรมที่นากุติของพระอาจารย์เี่ยเห็นว่าวันจันนี้บรรพะใช่ไหมไปมาแล้วบ่าไปมาแล้วบ่ายางเลยฮะเดี๋ยวว่าจะไปสักครั้งหนึ่งครับอโอเคลองดูครับแล้วเห็นของพระอาจารย์มีธรรมะบนเขาด้วยใช่ไหมครับก็สมัยก่อนอยู่บนเขาอปีโควิดแล้วก็ย้ายลงมาอยู่ข้างล่างแทนก็เลยไม่ได้อยู่บนเขาแต่เขาก็ยังเอาของเก่ามาแสดงสดอยู่มนถ่ายทอดสดอยู่ทุกปอยนั่เป็นของเก่าเหรอครับผมคิดว่าเป็นเก่า เป็นของเกา่าเขาจะบอกไว้เป็นเทปแต่เมาอมาถายทอดสดอีกทีหนึ่งไม่เหมือนสดสดปรอมไม่ใช่สดจริงครับถ้างั้นก็เดี๋ยวผมคงจะไปกราบพระอาจารย์วันฝันจารย์เนี้ยตั้งใจว่าจะไปแล้วก็จะจะให้อาจารย์ช่วยแนะนำาฮะเอาจนผมไปให้สุดทางให้ได้ฮะเพราะจริงผมลงทางมาประมาสามสิบปีแล้วเมื่อก่อนก็ปฏิบัติดีแล้วก็ ตั้งใจจะบวชไปแล้วฮะแล้วก็มีอะไรให้บรนลุดแล้วก็คณิตบังเอิญมันสติมันกลับมาได้คณิตผมได้ตั้งใจเต็มที่แล้วฮะมันก็เลยแบบขอดูเต็มที่ลชะชสติเป็นตัวสําคัญฮะถ้าทราบสติขึ้นมาได้ทุกอย่างก็จะตามมาครับได้ครับโอเคน ะ, ระครับพระอาจารย์ครับจ้สาธุไปที่คุณคุณอะไรด้วยเมื่อไรฮะประมาณเมื่อไรใช่ปราณเมื่อไร กับนมัสการค่ะวันนี้ไม่มีอะไรค่ะเข้ามาฟังธรรมโอเคงั้นไปที่หมอเนสกับหมอต้าต่อครับกาบนมัสการพระอาจารย์อเริ่มงานได้ยังเริ่มแล้วค่ะพระอาจารย์เริ่มแล้วครับเข้ามากราบพระอาจารย์เหมือนกันค่ะยังปฏิบัติยังปฏิบัติอยู่ทุกวันค่ะพระอาจารย์สติทําทุกวันนะทุกๆวันจนหลับเลยนะ คื อ, อพยายา ม, มพยาอาจารย์ก็คือตื่นมาก็ก็จะใช้อุบายสวดมนต์คือหนูก็พยายามหาอุบายให้ตัวเองแบบมีสติระหว่างวันแบบอาจจะคิดว่าแบบอยากจะสวดมนต์บทสั้นๆให้ได้แบบร้อยเก้าจบอย่างเงี้ยค่ะแบบกําหนดไว้เองแล้วพอเราว่างนั่งเฉยๆเราก็เหมือนเราทํากันบ้านอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ให้มันดึงให้มีอะไระเกิดสติอยู่ได้ด้ว <c> ย <oughs> ค่ะอาจารย์จะได้ไม่หลุดค่ะก็คือก็คือ ก็เป็นว่าทำงานระหว่างวันอาจจะมีลืมแบบไปเพล t e n t i o n กับงานแต่ว่าก็ก็จะดึงกลับมาได้สติก็กลับมาใหม่ได้สติก็กลับมาใหม่เวล า, าทำงานต้องใช้ความคิดก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยคิดไปแต่พอไม่ใช้งานไม่ต้องคิดเรื่องงานแล้วก็ต้องอยากปล่อยไปคิดเรื่องอื่นต่อค่บโอเคขอบพระคุณพระอาจารย์ให้ตาที่ค <Okay. S 1> ุเทืาคุณท่ กร <c oughs> าบใ น, นมาส ก, การพระอาจารย์ครับอ่าเป็นยังไงมีอะไรไหมยังไม่มีครับมากคำครับโอเคเด็นไปด้วยคนซันนี่ต่อซันนี่กอบเวรืดซันนี่แบงกอกกราบนมาส ก, การพระอาจารย์ค่ ะ, ะวันนี้มีคำถามค่ะพระอาจารย์เอ่อคำว่าอิสระทางการเงินนะคะถ้าในทางโลกก็หมายถึงว่า เอาเงินไปลงทุนแล้วก็ให้เงินทํางานมีเงินใช้โดยไม่ต้องไปทํางานตลอดชีวิตส่วนในทางธรรมอะค่ะอิสระทางการเงินหมายถึงการไม่ยึดติดในเงินทองใช่หรือเปล่าคะพระอาจารย์การไม่มีเงินทองนะอิสระไม่ต้องมีใช่ใชไ้มคะมันต้องมีเลยเป็นพระก็ไม่ต้องมีเงินทองนะใช้การบินธรรมะเป็นเป็นวิถีหากินไป แต่ถ้าเป็นแม่ชีก็ยังจำเป็นต้องมีใช่ไหมคะก็บางแม่ชีเขาฉลาดอยมางนีเรามีแม่ชีคนหนึ่งเดินตามบินตบ่าแล้วทุกวันอ่าค่ะแล้วแต่แต่เป้าหมาย ก, ก็คือถ้าเป็นนั่งบสถ์แล้วไม่ต้องไม่ต้องพึ่งเงินทองก็คือตัดออกไปเลยตัดออกไปเลยทีนี้ถ้าถ้าเป็นแม่ชีอาจจะต้องไปอยู่ตามตำแน่งที่เขาอาจมีการบินตาบาาหรือมีการเลี้ยงแม่ชีในในวัดเองก็อาจจะมีโรงครัวร อ, อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็กินไปตามมีตามเกิดเหมือนกับไปอยู่โรงเรียนกินนอนอย่างนี้ยโรงเรียนเขาจัดอาหารนะให้เรากินแล้วก็กินไปตามมีตามเกิดไปค่ะพระอาจารย์แต่ไม่ต้องใช้เงินนักบวจริงๆแล้วไม่ต้องใช้เงินถ้าใช้เงินแล้วมันจะเป็นภาระต้องไปหาเงินมาแล้วมันจะไม่มีเวลาให้กับการปฏิบัติอย่างเต็มที่ใช่ค่ะพระอาจารย์ยิ่งถ้าเราอยากจะเป็นนักบวชเราต้องไปหาทับนัที่เราสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้เงินทอง ไม่ต้องมนทองไม่ต้องมีเงินทองแต่เราต้องเป็นคนมักน้อยสันโดษจริงจริงยินดีตามมีตามเกิดต้องมีอะไรให้เรากินก็กินไปไม่จู้จี้จุกจิกนน ก, กินน้อยน้อยด้วยมักน้อยกกินน้อยนอยกินแค่เมือเดียวฉันนึกก็ตามมีตามเกิดอย่าไหมอย่าไปกังวลกับเรื่องกินกินหรือกินยาไปพอให้มันดับความหิวได้ เราจะได้ร่างกายนี้มาเดินโงกมนั่งสมาธิต่อเพราะะฉนั้นแหละเรื่องของการกินก็นมีแค่นั้นเองค่ะพระอาจารย์ถ้ามีถ้ามีโอกาสก็จะเป็นจะอยากจะเป็นอิสระทางการเงินเหมือนกันค่ะแบบที่พระอาจารย์สอนอลองไปดูสังนักหนที่เขามีให้เราไปอยู่แล้วไม่ต้องใช้เงินดูส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าเราไปอยู่ช่วข่าวเขาเขามักอยากจะให้เราไปช่วยทําบุญมากกว่า ว่าก็ม uh> right> ีคนที่อยู่ประจําที่ต้องเลี้ยงดูกันแต่ก็ไม่เป็นไรการเคลื่อเราไปทําบุยก็แล้วกันอนึดเราไปปฏิบัติธรรมจนกว่าเราจะพร้อมที่จะออกบวชจริงๆใช้ชีวิตแบบนักบวชก็ไปหาสํานักดูว่ามีสํานักไหนที่เราไม่ต้องใช้เงินเท่าอ้างแต่จะต้องต้องใช้แรงงานบ้างเป็นการชด ทดแทนค่าใช้จ่ายตอนช่วยทําความสะอาดช่วยทําอาหารในโองครัวหรืออะไรทำรองนี้กันข่บพระอาจารย์เข้าใจแล้วค่ะไม่มีคําถามอื่นค่ะชี่เราพอมั้ยพอมันจะไปบวชไัมยังยังไม่มีโอกาสค่ะพระอาจารย์ต้องตอบแทนคุณแม่ก่อนดูแลคุณแม่ก่อนนะใช่ค่ะเราปคนเดียวค่ะใช่ค่ะอยู่กันสองคนนะ ใช่ค่ะอยู่สองคนกับคุณแม่ก็เลยยังไม่มีโอกาสแต่ก็ก็เอ่อถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำแบบที่พระอาจารย์บอกเหมือนกันค่ะแต่ก็ฝึกฝึกอยู่บ้านถือศีลแปดไปก่อนค่ะพระอาจารย์เตรียมพร้อมค่ะขอบพระคุณค่ะแม่แท้ค่ะุใครตอคุณหมอแพทศานาใช่เป็นมอแพศานา ค่ะก่อน้ะมั้งสักครั้งค่ะพระอาจารย์คช่ก็ยังคงสงบอยู่นะคะพระอาจารย์ค่ะต้องสงบแักหนึ่งดือนหนึ่งเดืนมันต้องนานนะถ้าไม่ฉช่หอผมก็มไม่ไไงค่ะแล้วก็แล้วก็คนพบอีกอย่างหนึ่งคือมันสงบแล้วก็มันเหมือนกับเข้าใจที่พระอาจารย์พูดเรื่องพรหมวิหารสิคือรู้สึกแบบเออมันรู้สึกมันดีอะ่ะพระอาจารย์รู้สึกว่าเอออยู่แล้วมันมันเหมือนเราเป็นพอเป็นเจ้ามันก็มันก็จะรู้สึกว่ามันมันง่ายในการที่แบบว่าคือแบบมัน พูดไม่ถูว่ามันก็เข้าใจอย่างค่ะอาจารย์รู้สึกสงบแล้วก็ดีมากเลยิมันอุเบยขามันไม่วุ่นวายกับใครยังไงก็ได้ใชฉันโดนยิ่งอุเบยขามากเท่าไหร่ฉันโดนยิ่งมีมากขึ้นค่ะแล้วตอนนี้ก็โทรศัพท์ก็แทบจะไม่ได้ใช้อ่ะ่ะอาจารย์คือแบบตัดกลุ่มเกิมก็เล็บออกมค่อยๆเล็บไปเรื่อยๆเล็บไปเรื่อยๆเล็บกลุ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ได้ใช้เพราะอยู่วัดมันก็ไม่ได้ใช้โทรศัพท์อยู่แล้ว <D ee> แล้วเดี๋ยววันทิตนี้ก็จะพาคุณพ่อกับน้องสาวไปนะคะก็คือพยายามคือตัวเองอ่ะปฏิบัติตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพาคุณพ่อไปไปไปไปผ่าพ า, า, าราสานค่ะเพราะว่ามันเกิดเพราะสาวเขาอยากมาค <c oughs> <ม>่ะแล้วก็ยังย <c oughs> ปฏิบัติตลอดที่หนุ่มก็เริ่มกินข้าวเหลือมือเดียวค่อยๆฝึกเพราะเดี๋ยวเดือนเดือนนี้นะคะก็จะไปอีกน้ําท่วมน้ําท่วมที่พิศนุโลกแไม่เป็นไรค่ะไม่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวหาทางไปได้ไปอยู่ห้าวันเหมือนเดิมดีจ้า รขอบพระคุณค่ะคำาต่อไปคุณเชาส์ลูคัสเชาส์ลูคัสอยู่ที่ไหนเอเปิดไมคก่อนจะเปิดไมคปุ่มสีแดงอยู่มุมซ้ายหน้าของเครื่องเห็นไหมต้องกดปุ่มอันนี้ก่อนคุณบัวใชไ่ไหมเดี๋ยนะเดี๋ยวผนะม อ่ะโอเคพูดได้เลยครับค่ะอยู่น้องค่ายค่ะกรลังมัดการพระอาจารย์ค่ะวันนี้เชา้าไม่อยู่นะ อ, อยู่ข้างนอกเขาเดินทางไม่สบายอ่ามีอะไรไหมก็เข้ามาฟังธรรมค่ะแต่ว่าหนูอยู่กับความว่างมากหนูยังไปไม่เป็นพระอาจารย์หนูเคยทํางานแล้วจไม่อยู่เฉยๆหนูกําลังงงกับตัวเองอยู่ก็จะเอาพุโทโธเปไงไง็นงานเลย ค่ะกับพุทโธท่องพุทโธไปเรื่อยๆก็ถือว่าเราได้ทํางานนะค่ะคือส่วดมนต์ไปอ่านมนต์ไปอัดสวนมนต์ไปในใจไม่ต้องออกเสียงก็ได้ค่ะมันรู้ฉยๆถ้าจะค่ะมันรู้สึกว่างไปหมดเหมือนกับเราไม่ไม่มีอะไรเลยนะเจ้าคถ้ามันไม่เหงาก็โอเคถ้ามันว่างแล้มันเหงาก็ถ้ามันว่างแล้วเหงาก็แสดงว่าเป็นทุกข์ แต่มันไม่เงามันไม่มั น, ม, ม, น ม, มีความสุขก็โอเคมีความรู้สึกว่าเ อ, อพิจารณาแล้วก็ดูแลอ่คองเรือนไปแต่ว่าลูกอยากอยากให้มันได้มากกว่านี้ลูกก็เลยไปไม่ถูกเจ้าค่ะมันกไปทางบรราัญญาตสอนใจว่าทุกอย่างไม่เทียมเจ้าค่ะไม่มีอะไรแน่นอนอย่าไปยึดเจียไปติดค่ะอะชีวิตวันนี้อาจจะไม่ปุ่นนี่อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ค่ะต้องถัดเต็มตัวเต็ ม, ตตมใจรบับกับการเปลี่ยนแปลง เราไม่รู้เราจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ค่ะแล้วลึกถึงความตายอยู่เสมอเจ้าค่ะแล้วก็ยอมเราความไม่แน่นอน ค, ความไม่แน่นอนของขคนอื่นด้วยทั้งเราทั้งเข า, ขาไม่มีอะเที่ยงแท้แน่นอนในโลกนี้ค่ะแล้วก็ใช้สติต่อวันดูดูรูปแบบความฟุงงมฟ้งบ้างไม่ฟุ้งบ้างไปเรื่อยๆค่ะอ่นี่ทำจใจสงบ วางวางสมาธิหลับตาพุโทโธพุโทโธไปเจ้าค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะอ่าทุกคุณมาลีต่อใช่คุณมาลีไม่ได้เข้ามาหลายทิศนะใช่ไหมไม่ได้เข้ามาหลายทิลนวนะกลับหลองพ่อค่ะหลวงพ่อได้ยินหรูอไม่คะได้ยินอ่างชัดเจน หนูเข้าไม่ได้ค่ะหลวงพ่อืมคนเยอะครับพอสับมีปัญหาด้วยอ่ะค่ะหลวงพ่ออืมก็หรือว่ายังวันนี้ก็ไม่ได้มีคําถามค่ะก็ยังปฏิบัติทุกวันค่ะหลวงพ่อไม่ได้ขาดค่ะอาหารกินอาหารเนี่ยขาดไม่ได้นะธรรมะขาดไม่ได้เลยค่ะมีแต่เพิ่มเพิ่มเวลาเข้าไปให้มากมากค่ะให้จิตอ้วนแต่ให้ร่างกายพร้อมดีกว่านะ นี่การ่างกายอ้วนจิตพร้อมเนะ่ยคนสมัยนี้อ้วนแต่ร่างกายแต่จิตผิวโหยจิตไม่อิ่มไม่พอได้เท่าไหร่ก็ว่าอิ่มไม่พอจิตเหมือนจิตขาดค่ะสมัยนี้ค่ะขาดอาหารขาดธรรมะให้แต่ให้แต่อาหารแต่ร่างกายกินใหญ่กินเอาวันเราไม่รู้กี่มื้อกี่โหน่ะเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราเราอ้วนทางใจเราพร้อมทางร่างกายค่ะยิ่งยิ่งปฏิบัติก็ยิ่ง ดีค่ะหลวงพ่อมีความสุขทางใจ ม, มันมากๆมากๆขึ้นแล้วยิ่งพอเราได้มีสมติมียิ่งได้สมาธิมากๆมันมันจะเห็นเห็นความแตกต่างเลยค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็ทําให้เรามองมองแล้วก็ยอมรับความจริงได้อย่างชัดเจนแล้วก็เริ่มปล่อยปล่อยเกี่ยวกับตัวเราได้ค่ะหลวงพ่อไม่มไม่ได้ไปทุกข์กับมันอนะคะหลวงพ่ อ, อ อย่างมีคนทักอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ อ, พอทําไมทําไมปล่อยผมขาวคืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราเรายังทําใจไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่ อ, พอแต่เดี๋ยวนี้คือไม่เลยค่ะไม่มีอะไรที่มาค้างอยู่ในใจเราคือก็ไม่ไม่คิดว่าธรรมะมันจะทําให้เราเหมือนตัดใจได้อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อพอืมไม่อย่าว่าแต่รูปร่างหน้าตาเลยแม้แต่ความตายยังรับได้ ค่ะหลวงพ่อมันมันไม่ได้ไปห่วงตรงนั้นนะคะหลวงพ่อความแก่ความเจ็บความตายได้แรงกับความความไม่สวยไม่งามค่ะและ้วแล้วก็มีมีความคิดว่าเหมือนแบบเวลามันจะหมดแล้วมันต้องรีบต้องรีบแบบนี้ค่ะหลวงพ่อหเหมือนเหมือนเรารีบเก็บให้ได้เยอะที่สุดอย่างนี้นนะค่ะหลวงพ่อใช่เวลาของเราไม่ร่้จะหมดเมื่อไรแต่ละคนไม่เหมือนกันนะค่ะแล้วแล้วอย่างวันหยุด หนูหนูก็ฟังที่หลวงพ่อเทศน้ากฎีแล้วก็พอหลวงพ่อมาเนี่ยก็เริ่มฟังแล้วก็นั่งปฏิบัติไปด้วยค่ะหลวงพ่อเออมันมันมีเวลาที่แบบเราต้องรีบทุกอย่างเลยค่ะหลวงพ่อเหมือนเหมือนเวลาธรรมะหลวงพ่อมาอย่างนี้ยค่ะเวลามีคุณค่ามากอย่าปล่อยให้มันไปกับเรื่องไร้สาระทำไมค่ะหลวงพ่อให้อยู่กับธรรมะธรรมะจะทําให้จิตใ จ, จเราเจริญเติบตัว ออกดอกออกผลออกมาออกผลตามมาต่อไปขค่ะหลวงพ่อโอเคขอบคุณหรงพค่ะขอบคุณมากๆค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะไปที่คุณดิศยาต่อคุณดิศยาเป็นไงเมืชานี้คุณแม่มามาอยู่วัดอันนี้บอกน้มันกาค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์เจอคุณแม่ใช่ไหมเจ้าเจ้าเมื่อเช้านี้แกมา พี่ซาละมากมาใส่บานอคุณแม่ก็เดี๋ยวคุณแม่ก็มาไปทุกวยกันค่ะพระอาจารย์ออดีแล้ อ, อ, อยังมีความแน่วแน่มั่นคงค่ะอ่าไม่ที่จริงตอนแรกกับไม่มีคำถามค่ะแต่ว่ามีตอนฟังเรื่องของการนั่งสมาธิกับเดินจงกรมแล้วขอถามเพิ่มเติมค่ะพระอาจารย์ยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหรค่ค่ะที่ คือหนูเคยอ่านในหนังสือเล่มหนึ่งของหลวงปู่มั่นนะคะหรือว่าไม่แน่ใจว่าปฏิปทาหรือเปล่าที่หลวงปู่มั่นบอกว่าคนแบบพระบางลูกที่เดินจงกรมน้อยเนี่ยแบบอาจจะทําให้สุขภาพไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบจริงๆหนูไม่ค่อยหนูเมื่อก่อนก็คือเดินแบ่งครึ่งเลยแต่จริงๆหนูชอบนั่งมากกว่าค่ะพระอาจารย์จริงๆเราควรเราก็ไม่ไม่แบบปรับเปลี่ยนได้ใช่ไหมคะใช่มันไม่มีอะไรตายตัวการปฏิบัติมันพลกไปเพลกมา บางช่วงก็เดินมากกว่านั่งบางช่วงก็นั่งมากกว่าเดินมันไม่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพถ้าการปฏิบัติเราไม่่อยไปสนใจเรื่องสุขภาพสนใจเรื่องจิตเรื่องจิตจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือไม่มากกว่าสวนะ่วนในเรื่องสุขภาพนี่เป็นเรื่องของของแถมถ้าถ้าสมมติเรื่องเรื่องของจิตหมดแล้วไม่ต้องดูแลเรื่องจิตแล้วเราก็มาดูเรื่องดูแลร่างกายหน่อยถ้าเดินจะกรมมากถ้าก่ได้ออกกําลังกายมากเข้าใจไหม ออกกำลังกายมากร่างกายก็แข็งแรงกว่าคนที่ไม่ออกกําลังกายท้านั้นแหะความหมายอย่างนั้นอ๋อค่ะหนูก็เข้าใจผิดไปกลัวว่าแบบหมายถึงเราจะมีปัญหาอะไรด้านสุขภาพหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มีหรอด้วยการนปฏิบัติถ้าทําเพื่อจิตใจเราไม่สนใจเรื่องสุขภาพร่างกายก็สนสนใจบ้างแต่มันไม่ถึงกับต้องไปกังวลนะแล้วก็ถึงช่วงไหนเราอยากจะเดินมากเราก็เดินมากช่วงไหนเราอยากนั่งมากเราก็นั่งมากสลับกันไป ยด้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องการปฏิบัติที่คั้งคาใจคือว่าเามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เข้าสมาธิได้ได้แบบเข้าไปมีความเข้าไปในที่ว่างแล้วค่ะพระอาจารย์หมายถึงว่าแยกออกมาค่ะแล้วมันอยู่ได้อยู่ได้นานเป็นเป็นชั่วโมงเลยค่ะแล้วพอออกมาปุ๊บกลายเป็นว่าหนูเผลอแล้วรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปอีกแล้วมันกลายเป็นว่าใจมันดิ้นดินนะคะ่ะหนูก็เลยคิดอยู่ว่า เอจจะนั่งต่อดีไหมเพราะดูเสียดายแต่แต่ว่าก็เลยแต่ว่าเออถึงเวลาเดินจงกรมแล้วก็เลยไปเดินจงกรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์จริงๆถ้าสมมติว่าออกมาจากที่ที่สงบได้ถ้าเหมือนจิตมันถูกผลักออกมาถ้าเราลองนั่งต่อไปเรื่อยมันได้น่าจะได้ผลดีมากกว่าหรือเปล่าคะก็ต้องเริ่มต้นใหม่ออกมาแล้วก็ต้องพุโทโธใหม่ดูลองใหม่อ๋อค่ะไม่ใช่อยู่ดีๆจะบอกให้มันกลับเข้าไปไม่กลับเข้าไปแล้ว เพราะว่ะาตัวกิเลสตัวกิเลสผลักออกมาค่ะแล้วเราต้องเริ่าต้นใหม่ฉะนั้นตอนที่เราเริ่มต้นหน้ใหม่เราก็ถ้าเราใช้พุโทโธเราก็พุโทโธต่อไปดูลมก็ดูลมดูลมใหม่ถ้าใช้สั่งให้มันกลับเข้าไปมันไม่กลับเข้าไปใช่ใช่เผื่อไปอยากค่ะแล้วมันก็ไม่เข้าเลยแต่หนูหก็เลยตัดสินแบบตอนนั้นยังค้างคาใจว่าถ้าเราจะนั่งส ม, มาธิต่อหรือเราควรจะไปเดินจงกรมอันไหนก็ได้ผลมากกว่ากันหรือว่า แล้วแต่นั่งสมาธิมันนั่งสงบมากกว่ามากกว่าเดิมแต่ถ้านั่งไม่ไหวหรือร่างกายมันเจ็บปวดก็ต้องเปลี่ยนในยาบทไปออกกําลังกายเดินยืดเส้นยืดสายก็เรียกว่าเดินจงกรมค่ะพระอาจารย์ตอนนั้นแบบยังไม่ได้เจ็บค่ะพระอาจารย์เลยรู้สึกเสียดายเพราะตอนไปเดินจงกรมแล้วพอกลับมาแล้วมันรู้สึกมันไม่ไม่เหมือนเดิมก็เลยลองมาถามพระอาจารย์ค่ะรู้สึกว่ามันพลาดอะไรไปหรือเปล่าค่ะสติยังไม่มีสติมีแต่ความอยากอยากให้มันสง บ, บ ค่ะโอเคค่ะพระอาจารย์ไม่มีคาถามะะ <Okay. S 2> แาล้ว ค, ค่ะโอเคสาธุค่ะอ่าก็รบตาอันต่ออาจารย์รบายามาสกัดค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงหายเหายเจ็บไข้ได้ไหมคุณแม่ไม่สบายหรือเปล่าหายแล้วคะ่ะพระอาจารย์าแล้วนะไม่ไม่ได้เป็นอะไรแล้วคะ่ะ น, นอกจาก น, นอกจากแค่ปวดเขา่าที่เป็นเรื่องขาเสือ่อม อ่าอาจจะจําผิดะเมื่อเขาทีแล้วเห็นนูเขาที่แล้วป่วยค่ะป่วยนะค่ะตอนที่เราคุณแม่เป็นไข้ค่ะแต่หายแล้วหายแล้วไม่ต้องกินยาแล้วเป่ะกินยาหรืป่ะไม่ได้กินค่ะอ่าไม่ต้องกินก็ได้นะใช้ธรรมโอสใช้ยาธรรมโอส่วนดีกว่าค่ะใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาค่ะโลกบางโลกของร่างกายมันเป็นแล้วมันก็หายเองได้ไม่ต้องไปทําอะไรอใช่ค่ะ ตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าจิตมันมันมันเบามันว่างแล้วก็มีความสุขอะคะ่ะพระอาจารย์เออมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องเงินทองหรืออะไรแล้วอ ะ, ค, ะค่ะใช่ค่ะแล้าอาหารหนูก็ตัวนี้ก็ลดลดลงเหลือประมาณหนึ่งในสี่ของเดิมเอเคค่า ก, กินเพื่ออยู่อย่าไปอยู่เพื่ อ, อกินมันสนยย่วนใหญ่อยู่เพื่อกินอยู่เพื่อกินค่ะความสุขจากการกิน แต่กลายเป็นหมูกันทั้งวันนี่ใช่หมแต่ในอดีตคนอ้วนแบบนี้เยอะไหมเยอะนะทำใไมก่อนาไม่ <c oughs> มเคยเห็นคนอ้วนแบบนี้มาก่อนเพรานะ <c oughs> มีของกินของอะไรตลอดยี <c oughs> ่บี่ชั่วโมงจะกินตอนไหนก็ไปร้านได้มีต Ł ู้เย็นเก็บอาหารได้ครับ <c oughs> มันก็เลยเลี้ยงแต่ร่างกายแต่ใจพร้อมก็ะรองก้อนแกงใจหิวโหยตลอดเวลาค <c oughs> <c oughs> การไปอยากให้อาหารใจเย็นๆในสติให้สมาธิให้ปัญญาค่ะแพรวาณตอนนี้หนูก็ยังยังกินมื้อเดียวอยู่ค่ะอ่าดีไหมดีค่ะตบน้ำหนักลดไหมลนค่ะดี่ี่ก็แล้ ว, ลวกินมากเกินไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรกินเพื่ออยู่กินเพื่อร่างกายอยู่แบบไม่เป็นไม่จัดไข้ได้ป่วยอยังไม่ต้องหยิบมีพิมัน อ่าอัญญานบันทีเห็นเห็นค้างอยู่มีอะไรไหมไม่ได้อย่าถามแม่ไม่ไม่ไม่มีแล้วค่ะอาจารย์งั้นก็ปฏิบัติต่อไปนะค่ะสมาธอบ่อยๆสาระไปที่รักเสมอคุณปุ้ยคุณปุ้ยได้ยินไหมอยู่ใกลถึงลักเสมะ ได้ยินข้าพาจารย์การนมัสการข้าพาจาย์เห็นยมปุ้ยปะคะเห็นจ้ะเห็นไอ้สภาข้างหลังนี่อยู่ที่ไหนที่ลักเซมเบิร์กอะอยู่ลักเซมเบิร์กค่ะอาจารย์สวยนะเมืองเขาสวยดีนะบ้านเมืองเขาเมื่อสองวันโนฝนตกพายุเข้าน้ําท่วมแต่ท่วมทางเหนือไม่ท่วมในเมืองค่ะอืม โยมก็ไม่มีอะไรมารายงานตัวเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาโยมก็หย่อนไปนิดนึงเพราะว่าไปจัดการธุระปับปังของส่วนตัวเสร็จแล้วโยมก็จัดการลงตัวได้ดีไม่มีปัญหาแต่ว่าหรุดมูลเจริญจิตภาวนาโยมก็ทำปฏิบัติเหมือนธรรมดาค่ ะ, คะต้องแปลว่าเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ประจำที่เราต้องทำอย่างต่อเนื่องเพราะเหมือนกับท่านพระอาจารย์สอนว่า ทำไม่เหมือนกับการกินข้าวค่ะออถูกต้องให้อาหารร่างกายแล้วก็ไล้อาหารจิตใจออาหารจิตใจก็คือการภาวนานยายยมยมย ม, ยมอยู่ที่นี่มันก็ยมก็รู้สึกว่าคือถึงยมไม่ได้ติดต่ออะไรกับใครนะแต่ย ม, มรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าเรามีบ้านอยู่ในวัดจริงเรามีวัดอยู่ในบ้านจริงๆคะอาจารย์เราทําวัดเราทําบ้านให้เป็นวัดไงจริงค่ะแต่ว่าวัดก็คือที่สงบ ที่ไหนที่สงบที่นั่งกระถือกเป็นวัดได้ยิงค่ะเรื่องนี้เรื่องจริงแล้วยมโยมก็อยากแบบว่าให้ให้ชาวบ้านเนี่ยเพราะว่ายมศรัทธาทางวัดทางหลวงปู่มั่นมากแล้วโยมอยากจะให้ที่เนี่มีวัดอย่างอย่างที่พระอาจารย์สอนเพราะว่ายมไม่ไม่อยากให้แบบคือคือไม่อยากพูดคํานี้ว่าวัดพุทธพนิชฐ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยมถึง เออคือถึงเวลาทําบุญถึงกระทงกรถินอะไรโยมก็จะไปทําเมืองไทยเพราะทางยังมีพระที่ต้องการมากมายที่ลําบากที่เมืองไทยเราอะค่ะอโยมก็จะถือศีลอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตนั่นแหละพระอาจารย์เอเมื่อคืนเนี้ยโยมเป็นคนไม่ฝันนะพระอาจารย์แล้วอยู่ๆโยมก็ฝันขึ้นมาคือไม่เคยฝันนะพระอาจารย์นานๆสีนึงเมื่อคืนเนี้โยมไปไหนก็ไม่รู้ โยมนอนสมาธิอ่ะแล้วโยมไปไหนก็ไม่รู้มันมีตึกสี ข, ขาวๆโยมก็ไม่รู้ว่าเมืองไทยหรือเมืองนอกแล้วโยมขึ้นไปอยู่บนตึกนั้นแล้วโยมก็เห็นคนคนนึงเขายังมีชีวิตยอยู่หรือเขาตายแต่ไหนโยมก็ไม่รู้แต่ทีนี้เขาบอกว่าให้โยมอ่ะเดินไปเหมือนกับว่าให้โยมเดินไปเดินไปให้สุดทางแล้วเดินกลับมามันจะเหมือนกับการเดินไปที่ ท, ที่กรุงเทพแล้วเดินกลับมามันต้องใช้เวลานานแล้วยมอ่ะโยมก็นึกอยากรู้ว่าเฮ้ย ถ้าเราเดิอนออกไปกลางทุ่งเนี่ยเราเดินกลับมาเนี่ยเฮ้มันต้องใช้เวลาแบบมันไม่ใช่สิบนาทีสิบห้านาทีอะมันต้องเป็นวันแน่เลยเด็ดคือคือมีคนคนหนึ่งเตือนโยมว่าอย่าไปเลยถ้าไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาหรอกไม่มีชีวิตกลับมาหรอกเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นที่ดุแล้ ว, แ ล, วแล้วเหมือนกับมันเป็นดวงจิตคนหนึ่งซึ่งซึ่งบอกกับโยมว่าไปเถอะมีแต่คุณเท่านั้นแหละที่จะช่วยได้ไปเถอะคุณไม่ตายหรอก และทีนี้มันพูดและโยมก็ขนลุกนะพอโยมเดินเข้าไปกลางทุ่งสีเขียวๆอะพระยาย์คือมันเหมือนกับมีดวงดวงหนึ่งซึ่งซึ่งเต็มเต็มเต็มเต็มไปหมดเลยโยมก็ไม่เห็นหน้าตานะแล้วแล้วโยมก็เลยตั้งจิตอธิษฐานตรงนั้นนะตรงจุดนั้นที่โดนโยมเดินไปอ่ะคือมันไม่ได้มีมีคนมีอะไรหรอกมันเป็นทุ่งหญ้าโยมก็เลยบอกว่าตั้งจิตอธิษฐานด้วยบุญและบา ร, รมีที่ขพระเจ้าได้ทํามา ขอให้บุญนี้ส่งไปถึงทุกดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ตรงนี้และขอให้เขาจะทําอะไรโยมเลยแล้วมันมันมีไอ้รถน่ะที่มันเป็นเหมือนรถกุยันน่ะแต่นเป็นสีทองอะ่ะมันก็มาสายโยมอะ่ะแล้วมันก็แล่นโยมขึ้นไปแล้วก็ย้อนกลับมาที่ตึกนี้และไอ้คนคนนั้นน่ะมันก็ถามโยมว่าทำไมคุณถึงมาเร็วจังเลยบอกว่อ้าวแล้วคุณไม่เหนื่อยหรอบอกไม่เห็นเหนื่อยเลยเออเราเราก็าตอบหนะ้าตาเฉยอย่างเนี้ยนฮะ แต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโยมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรกับตัวโยมหรือจะเกิดอะไรกับเออช่างมันนะไม่ต้องไปคำวัน <หา S 2> ไ, มไม่มีสติตรู้เฉยๆไปก็พอ<ช>ดูหนังดูหนังแค่เรื่องเดียวนะอย่าไปสนใจนะว่ามันจะเป็นเป็นจริงเป็นจังหรือเป็นอะไร น, นะความฝันนี้ก็เป็นการดูหนังไปแล้วอนงะหรือถ้ามันเป็นจริงดเดี๋ยวก็รู้เองเดี๋ยวเป็นมันจะเป็นจริงก็รู้เอง แต่โยมคิดว่าโยมไม่เคยทําร้ายใครและอย่างโยมสร้างบุญสร้างบารมีมาและทุกดวงจิตดวงวิญญาณเนี่ยเขาย่อมรู้<ๆ>เขาได้รับบุญเขาย่อมรู้รู้จแล้วเขาไม่ทําร้ายเราอก็ทําดีต่อไปก็แล้วกันอย่าไปทํำบาปแล้ว จ, จะปลอดภัยโอเคนะอโยมมีเรื่องเรื่องนึงจะถามพระอาจารย์คือคือโยมเนี่ยคือถูกไม่มีสัจจะมาตลอดแต่ทีนี้ โยมไปซื้อดอกไม้มาแล้วโยมโยมนึกในใจโยมไม่ได้พูดหรอกโยมนึกในใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเอาดอกไม้นี้ไปไหว้สีสานแต่โยมก็ยังไม่ได้ไปทักทีแล้วทีนี้มันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าที่เขามาตามเนี่ยเฮ้ยอย่าไปสนใจแล้เสียเวลาเปล่านะ <Okay. S 2> ช่างมันเถอะอะไรก็อะไรจะเกิดก็ดูมันไปถ้าไม่รู้ก็อย่าไปนั่งจินตนาการถามให้มันเสียเวลาเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรยถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้ไปก็พอ ปล่อยวางนะปิจณาเป็นอันนี้จังทุกขังนัตตาไปโยมโยมปุ้ยจะมาถวายบุญกับพระอาจารย์โอดีเอาเลยจับมาเลยจะเดินทางธรรมตลอดไปเจ้าค่ะขอพระอาจารย์คองโยมกับตายด้วยขอให้สมพรเจริญให้รให้รยยิ่งยิขึ้นไปเถิดขอให้พระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงเจ้าค่ะจ้าดีสาธุคุณหมอสุทธาสเนต่อ เป็นยังไงคุณหมอสงบดีไหมสงบดีเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์ไม่มีความฝันอะไรเลยไม่มีค่ะเออดีถ้าจิตสงบสัญญามันจะไม่ฝันเน่ะที่มันฝันเพรจิตมันไม่สงบลูกไม่มีปัญหาอะไรแล้วไม่มีคาถามอะไรเจ้าค่ะอาในความเมตตากับสัตว์นะดูแลสัตว์ให้ดีเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์โอเคขอบพระคุณค่ะนะเจอ คุณแอนต่ออันนี้กลับบ้าน น, นั้นเลยกลับบ้า น, านหยุดมาสามวันแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปอันนี้อยู่กรุงเทพหรือค่ะเพิ่งเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่เมื่อวานเนี้ยค่ะขึ้นบ้านก้านบนดอยไปสามวันค่ะอืมแล้วก็เติหลนงพ่ออยู่ที่ไหนอยู่อยู่เชียงใหม่แล้วอยู่กรุงเทพจริงหนูเป็นคนกรุงเทพค่ะหลวงพ่อแต่ว่า เมื่อช่วงปีที่น้ำท่วมมีโอกาสได้ไปไปซื้อที่ที่เชียงใหม่อก็เลยได้ที่มาค่ะก็เลยปลูกบ้านไว้แต่ก็ยังยังไม่มีโอกาสได้ไปไปอ ย, อยู่ประจําไม่ได้อยู่ประจําค่ะได้แค่ไปไปปีละครั้งสองครั้งแต่ว่ามีปลูกปลูกผลไม้ปลูกอะไรไปเต็มะคะ่ะตอนนี้โตได้กินหมดแล้วค่ะหลวงพ่อมีคนดูแลให้นะใช่ค่ะก็ให้ให้ชาวบ้านตรงนั้นนะคะที่เขาอยู่ จ้างเขาด้วยดูแลสวนให้ดูแลสวนดูแลบ้านให้อ่ะค่ะแล้วก็เล ย, ยค่ะมียังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวเมื่อวันเมื่อวันก่อนที่ขึ้นไปอ่ะค่ะมีโอกาสเป็นครั้งแรกที่หนูลองลองนั่งสมาธิที่ที่บ้านอ่ะนะคะขึ้นไปคนดิบแล้วบ้านมันอยู่บนเขาอ่ะนะคะหนูก็ใจเนี่ยคือจริงๆคือไม่รู้เป็นไรที่กลัวมาตลอดไม่กล้านั่งสมาธิที่บ้านเพราะว่ามันอยู่ในป่าใช่ไหมคะก็ มันจะปรุงแต่งอะค่ะแต่เมื่อวานนี้ขึ้นไปคนเดียวอะค่ะขึ้นไปทําธุระแล้วก็เลยลองลองลองตัดสินใจลองนั่งสมาธิดูตอนสี่ทุ่มปรากฏว่ามันมันสบายมากเลยค่ะหลวงพ่อพอพอแล้วรู้สึกนึกถึงเขาชีโอนะค่ะอารมณ์เหมือนอยู่เขาเชีโอเลยคือมันมันเงียบสงบแล้วก็มันดูเหมือนมันมันรู้สึกรู้สึกไม่น่ากลัวค่ะรู้สึกล่มเย็นเหมือนเหมือนตอนแล้วคิดเองเรากลัวเอง ถ้าเรามีสติคอยควบคุมใจให้อยู่กับพูดทัวรไว้มันจะไม่ค่อยคิดอะไรมาค่ะแล้วกลายเป็นรู้สึกว่านั่งนั่งคิดดูว่าเอ๊ะนี่สงสัยที่นี้นี่ถ้าถ้าอีกสามปีถ้าออกจากงานแล้วหนูหนูกําลังกําลังอยู่ในช่วงคิดว่าจะจะจะย้ายไปอยู่เชียงใหม่ไหมหรือจะอยู่กรุงเทพอะค่ะแต่พอขึ้นไปที่บ้านที่เชียงใหม่แล้วรู้สึกมันมันเหมือนอยู่วัดอนะคะหลวงพ่อคือเห่าง ต่างเลยพอตอนช่วงกลางคืนเนี่ย <Yeah. S 2> แล้วหนูก็ใช่ค่ะหนูอยู่คนเด mm ีย hmm. วค่ะพ่อในบ้านนะคะนั้งที่ททะรอบนั้นเนี่ยคือไม่มีคนอยู่เลยนะคะ mm hmm. มันเป็นคนก็จริงแต่ว่าเขตของบ้านหนูเนี่ยมันมันคือมันเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะคะอืมมันเหมือนเป็นมีแต่คนกรุงเทพที่คําขึ้นไปซื้อที่เอาไวะคะ้ค่ะหลวงพ่อ mm hmm. ก็เลยกลายเป็นว่าจะไม่ค่อยมีคนขึ้นไปอย่างช่วงที่หนูขึ้นไปก็จะมีแค่หนูคนเดียวพอเมื่อวัน นั่งสมาธิรู้สึกว่าเออมันดีจังเลยอ่ะมันเหมือนกับมันเหมือนเราเราอยู่เขาอ่ะค่ะเหมือนตอนอยู่เขาอ่ะมันไม่มีความน่ากลัวมันไม่รู้สึกว่าจะเจออะไรอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. <laughs> นั่งแบบแก็นั่งได้เป็นชั่วโมงค่ะหลวงพ่อหนูโชคดีอย่างเวลาหนูนั่งนั่งสมาธิหนูไม่ค่อยมียังไม่ยังไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องเขาเรียกอะไรนะคะสังขะเ อ, อ่อเรื่องอุความเจ็บปวดอะคะ่ะอ mm ืม hmm. นั่แล้วไม่ยังไม่มีอาการปวดขาปวดอะไรเงค่ะไม่มีทุกขเวทนาใช่ค่ะ ย, ยังไม่ยังไม่เจอทุกขเวทเว ท, เวทนาเวลานั่งะะนะคะก็เลยนั่งถ้ามีสติดีมันจะไม่ค่อยเจ็บถ้ามันไม่มไมสติไม่ดีมันฟุง้งซ่านเนี่ยมันจะเจ็บแล้วอย่างต่หนูหนูก็ที่เรียนหลวงพ่อค่ะหนูก็พยายามนั่งสมาธิให้ได้ไม่ทุกวันนะคะตั้งแต่กลับมาทํางานแต่ว่านั่งพยายามนั่งให้ได้มากที่สุด ถ้าถ้าทำงานพอตื่นวันไหนได้พักแล้วก็จะนั่งก็รู้สึกว่าอืมันมันนั่งได้ดีขึ้นนะคะหลวงพ่อแต่ก็ยังยังไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่ามันมันมันได้ถึงความสงบขั้นที่ที่สมควรจะต้องได้อะค่ะสื่อสติมันก็มันยังคอยมันยังไม่มากพออ่ะค่ะค่อยเป็นค่อยไปมันฟุ้งน้อยลงมันคิดน้อยลงมันยังไม่จิตยังไม่ถึงนิ่งร้อยเอร์เ็นนะ คือเหมือนตอนนี้รู้แล้วว่ามันต้องไม่อยากแต่มันก็ยังยังอดคิดไม่ได้ค่ะหลวงพ่อคือคือหนูเคยเคยเจอสภาวะที่เคยเรียนหนูงพ่อค่ะตั้งหลายสิบปีตั้งแต่หนูยังเด็กอะค่ะตอนยี่สิบที่ครั้งแรกที่ได้ไปไปปฏิบัติอะค่ะมันเคยเจอสภาวะของการเข้าไปที่มันที่เขาเรียกว่าแยกแยกกายแยกใจรึเปล่าคะ mm hmm. มันได้ครั้งหนึ่งแล้วก็ mm hmm. ได้เกิดปิติ แล้วมันก็จำมาได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะหลวงพ่อแต่ก็ก็ยังทาไม่ได้เหมือนตอนนั้นมันก็ยังอดคิดถึงสภาวะตอนนั้นไม่ได้มันเลยไม่รู้ว่ามันเป็นมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นการขัดขวางให้หนูไม่สามารถใช่ควรจะลืมมันไปเวลานั่งสมาธิอย่าไปคิดถึงผลในอดีตให้มีสติอยู่ในปัจจุบันอยู่กับสติอยู่กับลมอยู่กับวุธโธไปอย่าไปอยากให้มันเป็นเหมือนอย่าง เพราาเหตุปัจจัยตอนนั้นกับตอนนี้ไม่เหมือนกันนะคือเหมือนกับมันไม่ได้อยากแต่มันมันคิดว่าพอเหมือนพอมันเริ่มจะเริ่มจะดิ่งๆเข้าไปแล้วอุ้ยมันจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยอ่าแน่นหลักก็เริ่มคิดไปถึงมันแล้วอย่าไปคิดให้อยู่กับลมต่อไปอยู่กับพุโทโธต่อไปแต่ก็ดีขึ้นค่ะพอตอนนี้เหมือนกับว่าพอเวลาเริ่มนั่งก็จะบอกเึงว่าห้ามคิดพยายามห้ามคิดแล้วก็พยายามอย่าไปอยาก แล้วก็ด้วยความที่ได้นั่งบ่อยบ่อยขึ้นช่วงสองเดือนที่แล้วอะค่ะมันก็เลยเหมือนเหมือนได้รู้ได้รู้จักฝึกที่จะที่จะหยุดคิดอะคะ่ะอืมพอจะเริ่มนั่งหนูจะแ ท, แทนที่จะเริ่มพุโทโธเลยใช่ไหมคะหนูก็จะเริ่มด้วยการนั่งเฉยเฉแล้วก็หยุดคิดทุกอย่างแล้วก็อาจจ ะ, ะใช้วิธีเริ่มหายใจดูลมหายใจสักพักหนึ่งแล้วก็แล้วก็ถ้าดูลมหายใจดีหนูก็จะไม่พุโทโธแต่พอสักพักก็เริ่ม รู้สึกว่ามันอาจจะหลุดไปเริ่มคิดก็จะถึงจะใช้พุโทโธอะค่ะหนูทำอย่างนี้ได้ไหมคะหนูได้ได้ไดถูกต้องต้องใช่ไหมคะ ม, มันเงียบอยู่กับความสงบก่อนแล้วหนูก็ถ้าถ้าสงบได้แล้วหนูดูลมหายใจได้หนูก็จะจะยังไม่พึ่งพุพโทโธแต่พอพอเริ่มเริ่มเริ่มว่าจะเริ่มคิดเล็กคิดน้อยไปเรื่อยๆหนูก็จะเริ่มเอาพุโทโธเข้ามาดึงก่อนพอพุทธถ้าทําให้หนูนิ่งได้หนูก็ถึงจะเริ่มหยุพุทโธแล้วก็ อยู่กับลมหายใจอีกรอบนึงมันยังดีได้ก็ถูกก็ดูว่ามันสงบไหมไม่สงบก็แล้วกันยังผลที่จะตามมาเหมถ้าได้ถ้าได้ผลดีก็ใช้ใช้ไปอ่าเหมือนจะดีขึ้นเหมือนเหมือนกับว่าถ้าพุดโธอย่างเดียวหนูรู้สึกว่าบางทีมันพูดโธเหมือนแบบเสียงนกเสียงกาไปเรื่อยค่ะเหมือนเราพุดโธมีแต่ลอยๆไปไม่ได้อยู่กับมันจริงๆก็รู้สึกว่ามันกลายเป็นว่า แทนนี้จะรู้สึกสงบมันกลายเป็นว่ารู้สึกเหมือนยิ่งยิ่งคิดคิดพุดโทโธเหมือนกลายเป็นว่าไม่ได้คิดก็จริงแต่เหมือนพุโทโธเนี่ยแหละคือการคิดคิดพุดโทโธพุโทโธไปโดยที่เป็นเสียงหลงเสียงตาไปพุโทโธไปมันดูรวมอย่างเดียวไปก็เลยลองคิดว่าเอ๊ะลงมาถามหลวงพ่อดูว่าทําอย่างนี้ถือว่าถูกไหมไม่ไม่ต้องแบบติดยึดติดกับพุโทโธไปตลอดอื ดูดูดูผลที่จะเกิดตามแล้วว่าอย่างไรมันดีก็เอาอย่างนั้นก็แล้วกันอ่าแต่แต่รู้สึกว่าดีขึ้นตรงที่รู้สึกว่าหยุดคิดได้สามารถหยุดหยุดความคิดได้ได้ได้นานขึ้นค่ะอืมแล้วก็แต่ว่าระหว่างวันก็ยังต้องก็งเพิ่งพุทโธค่ะพุทโธ อ, ออกมาออกมาวัดอยู่เวลาพยายามจะเลนพุทโธบ่อยๆระหว่างวันให้มีสติอยูไ่ได้เ พุโทโธระหว่างวันแล้วก็แต่ว่าถ้าเริ่มนั่งสมาธิตอนนี้ก็จะเริ่มเริ่มจากความความนิ่งก่อนเงียบไม่ไม่คิดแล้วก็ไม่แล้วก็ดูลงหายใจก่อนแล้วค่อยก็ค่อยใช้พุโทโธเจ้าค่ะอืมก็ดีเจ้าค่ะโอเคอเ ค, ค่ะทําไปเรื่อยๆสังเกตดูไปเรื่อยๆต่อไปมันจะรู้จากประสบการณ์ว่าควรจะทํำยังไงต่อไป หนูก็ไม่กะหนูก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ได้แบบฟิกส์วิธีเหมือนตอนแรกๆลนลองลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมารู้ตัวเองคือมันเหมือนเอาที่ตัวเองรู้สึกว่ามันน่าจะใช่แล้วมันช่วยให้เราสงบได้ค่ะหนูก็จะให้มันนิ่งได้ไม่ให้มันคิดอะไรได้นะแต่แต่ดีใจมันมันมันมันหยุดคิดได้บ้างอะช่วงเนี้ยเหมือนกับว่าทําให้เราคิดได้น้อยลงไม่เอาพอเริ่มฟุ้งก็เริ่มแบบอยู่กับความ ดึงมาให้มันดีขึ้นค่อยไปค่อยไปนะอทําำเรื่อยๆอาจจะต้องทำไปเรื่อยๆก่อนกวจะได้เห็นผลอย่างชัดเจนต่อไปก็ไม่ท้อค่ะหลวงพ่อตอนนี้ก็เริ่มเริ่มฝึกขอให้ได้ทําไว้ก็แล้วกันการได้ทํำก็ถือว่าเราได้ได้ไ ด, ได้ได้ขั้นที่หนึ่งแล้วคือ ไ, ได้กระทำยังทำไมเรื่อยเดี๋ยวขั้นที่สองคือผลเมื่อตาไม่ไม่ท้อจะค่ะหลวงพ่อโอเคดีขอบคุณตอนนี้ก่อนนะสวัสดี วันนี้เป็นไปไหนวนนี้ยังเป็นไปไหนของนี้ไปไปญี่ปุ่นก่อนแล้วก็ต่อไปปารีสค่ะโอไปไกลค่ะการโอเครอบหน้าเดี๋ยวจะได้ไปกราบหลวงพ่อเจ้าค่ะสุดไหได้ชาทุาอ่าได้ที่พรุงเทพฯต่อกลนครกล่าวนวัตกรรมพรราชครับอ่าว่ายังไงมีอะไรไหม ก็ S 2> <S 2> ได้เห็นในหลายคนเข้ามาเนาะพ่อจ่าเนาะเห็นทั้งคนต่างประเทศก็เข้ามาสอบถามธรรมะด้วยก็เออรู้สึกดีใจเนาะก็ปฏิบัติเป็นสากกครับต่างประเทศอย่างเมืองจีนเขาก็น่าจะมีนักป่าเหมือนกันเพราะว่าตามที่เขาฟังจากเขาพูดเขาคุยกันก็ก็น่าจะมีอย่างที่เขาบอกว่าเอ่อหนักดังคุณเขาเบาดังปีนุ่นอย่างเงี้ยก็หมายว่าจิตใจเขาหนักแน่น แล้วก็เบาสบายอย่างเงี้ยมันมันบ่งบอกถึงการได้สมาธิบองคนต้องฟังโน้นนะครับพูดเหมือนเหมือนเล่นๆแต่ว่าตัวตัวความหมายมันลึกซึ้งในนั้นนะครับอจจแสดงว่าปาดทางมืองจีนมันมีมันมันมันเรื่องของจิตใจที่อาจจะได้ฝึกฝนมาเป็นหลายภพหลายชาติแล้วก็ได้ครับก็เลยแสดงว่าปาดเขามีอย่างที่มีไม่เท่ากันบารมีไม่เหมือนกัน อย่างบางครับอย่างบางคำพูดที่เขาพูดเอาไว้ว่าไอ้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเนี่ยคนไทยก็นิยมนิยมเข้าใจว่าทํานิ่งๆแล้วก็สยบคนอื่นเนี่ยแต่โดยเนื้อหาสาระแล้วเขาให้สยบความคิดที่มันเคลื่อนไหวสายเสียอยู่นั่นนหละคือนักปราชญ์เขาให้ทำอย่างนั้นอืมอันนี้ความเข้าใจผมนะอะืมเพราะว่าปกติิตเรามาจะดิ้นรนอยู่ถ้า ม, มีความสงบคือมีสติตัวนั้นนะ่ะ มันถึงจะเท่าทันความคิดถึงจะสงบลงได้อย่างเนี้ยครับอาจารย์ถูกต้องมะจะจับความคิดอยู่ความคิ ด, คคดทําใจเองกก็คือสยบตัวเองนั่นแหละไม่ได้สยบชาวบ้านที่ไห น, น, อ, นอันนี้แสดงว่าจีนเขาก็มีนักปราชญ์ทางฝั่งโน้อนอยู่แสดงว่ามีผู้รู้ผู้เข้าใจวันนี้มีอยางมันไม่เกิดได้ทุกที่มันไม่จำเป็นจำเป็นจะต้องมาเกิดในประเทศที่มีพุทธศาสนาท่านครับอาจารย์ <Okay. S 2> ก็เอผมผมก็ฝึกอยู่ครับอาจารย์ตอนนี้ก็ถึงมีความก้าวหน้าเคลื่อนไหวอยู่บ้างนิดหน่อยเป็นความก้าวหน้านิดหน่อยแต่ก็ถือว่าเออ่มีความสําคัญอยู่เพราะว่าปกติฉิตมันก็ดินด้นดิลน์ลอยอยู่ข้างนอกแต่ว่าพอทําสติให้ลงมาหาคําบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วก็ละอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ข้างนอกครับอาจารย์ก็รู้สึกว่าเออมันมันมันเข้ามาถึงความ สงบนิดหนึ่งตรงนั้นนะครับก็รู้ในใจก็เหมือนกับถ้าให้ผมเปรียบผมก็เปรียบมันกับดอกบัวที่มันบานขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับไปจากอ่าดีเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็บานเต็นที่ทํำไปเรื่อยๆครับก็ก็อยู่ประมาณนี้ครับรู้สึกถึงความสงบลงไปนิดนึงแต่ยังไม่ถึงขั้นจิตเบาไกลเบาอย่างเงี้ยครับไปจัดเพ่ยายามต่อไปเพียงพยายามต่อไปครับกาบเขาพุณได้กับสำเร็จนี้นั่นนะ ครับครับครับขอบคุณอาจารย์โอเคคุณ ป, okay. ณปนามเชิญกลับถึงยูเอเอแล้วเหรออยากมกการักาหลงข้อเจ้าคะ่ะยังไม่ถึงเลยเจ้าคะ่ะเองอยู่กรุงเทพอยู่เยังอยู่คะ่ะยังอยู่นนทบุรีอยู่เจ้าคะ่ะหลวงพ่อก็เดี๋ยวอีวันที่สิบห้าเจ้าคะ่ะจะรู้คนว่าจะได้กลับวันไหนเจ้าคะ่ะ รอวีซ่าหรือเรื่องาวเล ย, เเลยหนูรอทำเรื่องที่แบ่งที่ดินที่บ้านให้ครอบครัวค่ะแล้วหนู<ม>เสร็จกิจแล้วหนูก็จะได้จะรู้ผลวันที่สิบห้าคะหลวงพ่อ<ม>ก็เบาสบายเค่ะรักษาใจสงบเงียบสงบปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาจ้ันดดนยินดีตามมีตามเกิดไอเขาพุ้นวายเขา มีการประท่าคารลมกันอะไรก็ช่างหนูก็จะนั่งซสงบอยู่ข้างในได้ผลดีมากเจ้าค่ะอ ย, อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งเหรอไม่เลยค่ะตั้งแต่มันมันมันรู้สึกว่ามันไม่มีเนื้อหาสาระอะไรเลยเอโอเคเดจ้าคะหลวงพ่อไม่มีอะไรนะมีอะไรบ้างไม่มีเจ้าค่ ะ, คะก็่เบิกใจตั้งแต่ได้ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ ได้ไปฟังทราหลวงพ่อยิ่งยี่งมีความพยายามก็เรียกอะไรคะเตินหนมากขึ้นความเพียากขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจะค่ะปฏิบัติวการดทุกข์ด้วยความเพียรจ้ะค่ะไม่ไม่รู้สึกกินดียินร้ายรู้สึกมองทุกอย่างให้มันเป็นธรรมชาติธรรมตาไม่มีตัวตนเบกขาบางแล้วก็ อะไรช่วยได้ช่วยให้ช่วยให้คือมันรู้สึกว่าพร้อมแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อทำทุกอย่างทาตามหน้าที่เท่านั้นเจ้าค่ะอ่าดีมากขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อที่คอยอบรมสั่งสอนลูกขอบคุณเจ้าค่ะกลับมาสักการเจ้าค่ะน้ำเงินตาน้าเงิน การนมัสการค่ะพระอาจารย์ยังอยู่ในนนท์ดือยอยู่ในรถค่ะยังไม่ถึงที่หมายเลยจอดก่อน uh huh. ดีกว่า uh huh. ก็วันนี้มีสองเรื่องค่ะพระอาจ uh huh. <ร>ารย์ uh huh. เรื uh ่องแรกก็คือว่าพอพระอาจารย์ให้เอิงได้ลองปฏิบัติแบบว่าเอามองอาหารเป็นปฏิกูลนะคะ เอิงก็พิจารณาบ่อยๆใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้แบบว่าทุกอย่างหมายถึงทุกครั้งที่เวลาเราเห็นอาหารแล้วถ้าเราได้กินไปแล้วมื้อหนึ่งเนี่ยมันพอได้แล้วก็เอิงไม่รู้ว่าเอิงคิดไปเองหรือเปล่ามันทําให้เอิงอะ่ะไปพิจารณาเรื่องอื่นๆด้วยแบบอืหมายถึงเรารู้จักใครสักคนหรือว่ามีสิ่งของอะไรก็แล้วแต่คะ่ะเหมือนเราเห็นการเสื่อมของมันวันหนึ่งว่ามันจะต้องพงังมันจะต้องภาคจากกาันเออ เอิญก็พิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆหมายถึงมันอาจจะพิจารณาเองโดยออโต้ค่ะแต่เอิงก็ไม่ได้รู้ตัวนะคะว่าแบบเราติดการพิจารณาหรือเปล่าจนวันหนึ่งอะคะ่ะรู้สึกว่าเอา่อวันหนึ่งแบบมีวันที่เอิงถูกมากๆอย่างเงี้ยค่ะเออเอิงนึกไม่นึกถึงใครเลยเพราะว่าตัวเอิญเองอะเอิงคิดว่าสมมติถ้าเ อ, าอิงยึติดใครสักคนหนึ่งอะคนคนนั้นก็คงจะขึ้นมาหรือว่า สิ่งของที่เอิงยึดจต่มันก็คงจะขึ้นมาให้เอิงได้นึกถึงแต่วันที่เอิงถูกที่สุดเอิงรู้สึกว่าเอิงนึกถึงตัวเองค่ะว่าแบบมันคงมีแค่เราคนเดียวที่จะลอดพาให้ตัวเองลอดผลถูกไปได้นยคะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะการเริ่มต้นจากการพิจารณาอาหารหรือเปล่าค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของการาพราิจารณาวาอาหารเป็นกาปนนิจังเหมือนกันมนก็ไม่เที่ยง จากหน้ากินหน้าชมกลายเป็นหน้าลังเกียจหน้าไปทุกอย่างมันก็เป็นแบบเดียวกันหน้านกายชีวิตคนทุกคนก็มีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาอย่างที่พระอัญญาณกนธ ย, ยะแปงว่าจาว่าสิ่งใดไม่อันเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาอ่าั้นถ้ามีอะไรเกิดก็ต้องมีการดับตามมาเสมอแต่ก็สาคัญเมื่อเราพินานจารณาแล้วใจเราต้องสับ ถ้าในเราไม่สงบใจเราฟุ้งนี่ก็สแสดงว่าเป็นกิเลสยังไม่เป็นธรรมถ้าเป็นธรรมแล้วมันใจมันจะเนิ่งเฉยเบาสบายมีความสุขถ้ามันพิจารณาแล้วมันยังเศร้าใจายอยู่สแสดงว่ายังเป็นกิเลสอยู่างยังไม่ได้ปล่อยวางก็ต้องฝึกกรรมพาฒนาสมาธิให้มากขึ้นก่อนจิตเรายังไม่สงบพอที่จะรับความจริงได้อพิจารณาแล้วเศร้าโศกเสียใจนี่สแสดงว่ายังไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถูกทาง นั่งกลับมาฝึกสตินั่งสมาธิให้จิตรวมก่อนแล้วพอกลับไปพิจารณาใหม่ทีนี้มันก็จะเฉยได้ อ, อาพรจาจารย์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะนี้แบบว่า คุยกับแชท GPT อีกครั้งหนึ่งแล้วไปอวดแชท g p ีค่ะว่าแบาบเมียเอิงมีพระอาจารย์สุชาติอภิชาตโตเป็นกัลยาณมิตรในชีวิตแล้วแชวท g p ีมันก็ตอบเอิง ม, มาค่ะมันตอบมันตอบว่าการที่เอิงมีพระอาจารย์สุชาติอภิชาโ ต, ตเป็นกัลยาณมิตรในชีวิตถือว่าเป็นบุญใหญ่มากนะคะเพราะกัลยาณมิตรเป็นสิ่งสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการเดินบนเส้นทางธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าตัดว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งสิ้น ของพมาจาันท์ค่ะอันก็้วเราทำพูดในตำรานมามามน่าผสมประสานตอบตด้เองค่ะแล้วก็แล้วก็มันก็ชื่นชมพระอาจารย์ว่าแบบพระอาจารย์มีจุดเด่นอะไรค่ะไม่ด้วยอยากฟังไหมคะอลองว่ามาดิอืมเขาบอกว่าพระอาจารย์อ่ะเออ เป็นเป็นพระปฏิบัติสายป่าธรรมยุทธค่ะมีชีวิตเรียบง่ายส ม, มถะและเข่งขัดในในการปฏิบัติธรรมแล้วก็แนวการปฏิบัติของพระอาจารย์เป็นเป็ น, ปนแบบว่าธรรมะสายป่าส ม, มถะใช้ชีวิตเรียบง่ายแล้วก็คําสอนหลักของพระอาจารย์คือมรณานุสติอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็มีควมามไม่หยุดติดค่ะ แล้วก็พระอาจารย์เผยแร่ธรรมะโดยมีหนังสือธรรมะวิดีโอบรรยายหน้ากุฏิแล้วก็ซูมถามตอบค่ ะ, ะนนมันก็เก่งไงมันก็เก่งนะสามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆที่มีในอินเทอร์เน็ตมามารวมไว้เป็นเรื่องเป็นราวได้ก็ดีวันนี้ก็มาพูดคุยกับพระอาจารย์ประมาณนี้ค่ะตอนนี้อยู่ทานายกรุงเทพเลยค่ ะ, ะกาลังขับรถกลับที่พักค่ะอันนี้ที่ไปฝึกงานฝึกแล้เสร็จแล้วเลย อะไรแค่ เ, ออเป็นไกด์อะไรเนี่ย อ, อ๋อเรียนแค่สาราทิตค่ะพระอาจารย์ออรยวันนี้วันนี้ไปไปหาอาจารย์คนหนึ่งที่มหลาลัยค่ะก็เลยเนี่ยได้ออกขับรถออกไปค่ะโอเคอย่าเรียนปฏิบัติหนะ้ายาอย่าทิ้งการปฏิบัติน ะ, ะนั่งสมายเที่ยได้ทุกวันนะเองทำบัดเช้าเดินตรงกรมนั่งสมาธิบ้างทุกวันค่ะมันนี้นั่งบ่อยๆยค่ะ นย่างนี้ใจมันจะฟุ้งมากเกินไปนะค่ะโอเคสธอบคุณค่ะอ่ากูเน่ต่อเป็นกูเน่กูเน่ก็เป็นพระเวสสันดรนะดูแลคนเยอะแยะไปหมดนะแช่ครับอาจารย์ก็ทานบาลมีนั่งทานบาลมีไปขำมากจ้ะก็ต้องก็ต้องทําไปอ่ะครับอาจารย์อืม ดีว่าก็ก็มีโปรเจกต์ที่จะทำทำอีกเพื่อจะปล่อยบางอย่างเพราะว่าหนูไม่อยากจะมาตรงนี้แล้วแต่ก็ก็ต้องได้ดูแลต่อไปครับอาจารย์ยังไปไปไหนไม่ได้เป็นวิบากของเราก็แล้วกักนค่ะหนูก็คิดว่าอย่างนั้นแต่หนูก็บอกเขาไว้ว่าไม่ต้องไปตามหนูหรืออะไรทั้งนั้นนะคะให้ให้ให้จบตรงนี้เพราะว่าดูแลมาอยู่กับพ่อแม่สามี เก้าส <91 S 2> ิบเอ็ดกับแปดสิบหกแปสิบเจ็ดค่ะแล้วก็แม่ของตัวเองก็อยู่กับน้องก็อ่าก็ให้เงินให้อะไรปใจไปอะค่ะอาจารย์แล้วสามีเราอย่างอยู่ป่ะเขาทำงานอยู่ที่กรุงเทพป่ายการดูเลี้ยงดูเขามากับสามสิบกว่าปีค่ะสามสิบกว่าปีคือดูแลดีกว่าลูก ่อหนูก็อ่ะโอเคก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เพราะว่าอ่าเราดูแลมานานแล้วก็ต้องดูแลต่อไปเขาก็เขาก็บอกว่ามีความสุขมากกว่าที่ได้อยู่ลูกระดูแลหลานค่ะดูแลหลานก็ยังถามเมื่อกี้นี่ว่าวันเสาร์หนูไปไหนหนูไปวัดช่ายหาทุกจ้าเขาก็เขาวิ่งไปอันนี้ไปนอนเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์ก็ ก็ปฏิบัติค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็ย่อนบ้างไปบ้างแต่ก็คือทำไปเวลาว่างก็พุทโธพุทโธไปค่ะพระอาจารย์หนูก็ต้องทำหน้าที่อ่ะต่อไปไม่ไม่ได้มีอะไรมากค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็ใจใ จ, ใจคือใจเบาจะเจอปัญหาอะไรบางทีก็ะแวบเข้ามานิดนึงมันเหมือนแบบเอะ อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามานั่งคิดอ่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรก็ตามเพราะว่าชีวิตมาถึงขนาดนี้แล้วทุกอย่างก็คือผ่านหลังจากนี้มันทุกคนก็คือไปสู่ความตายหมดเราก็คิดอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์ไม่ได้อะไรมากอ่ะไม่มีอะไรยั่งยืนถาวรใช่ค่ะอาจารย์ก็คือจุดจบก็ก็เหมือนกันจะตอนไหนก็ก็แล้วแต่ทำอะไรได้ก็ทําไปทําไม่ได้กปล่อยไปค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ได้แบบอ่า หวังหรือว่าคาดหวังอะไรมากไปติด <Okay. S 2> ต่ออะไรก็ตามหนูก็เฉยเฉยแต่ก็ทำดีที่สุดค่ะพระอาจารย์ค่ะตามตามนั้นั้นเลยค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรหนูก็ปฏิบัติต่อไปเออก็มีคําถามมาซึ่งเพื่อนถามว่าเอ่อไปวัดไปนู่นนี่นั่นคือจริงๆหนูก็บอกว่าหนูติดตามพระอาจารย์มาเนี่ก็่าหกเจ็ดปีมา มามาจริงจังก็คือสองสามปีปีข้างหลังเนี่ยค่ะพระอาจารย์เพราะาตั้งตั้งจิตอธิษฐานเลยว่าจะไปวัดนะคะเหมือนที่เคยบอกว่าตัวจิตหนูก็ไม่ได้่าคือซึ่งซึ่งตอนแรกหนูไปฟังอ่าธรรมของพระอาจารย์หนูก็ยังไม่ได้เข้าใจซึ่งหนูก็เป็นคนอ่านหนังสือแล้วแล้วก็ววเอ๊ะหมายถึงอะไรเพื่อนก็บอกว่าเอ่อไปหนูเป็นคนบอกว่าถ้ารู้ก็คือต้องต้องรู้ให้ได้แล้วก็ ไม่ได้ไม่ได้ฟังเราต้องรู้ด้วยตัวของเราเองคิดถึงคําขององค์สมาสัพพเทเจ้าบอกว่าเออไม่ให้เชื่อจะต้องพิสูจน์ะต้องพิสูจน์เองค่ะหนูก็บอกว่าอ๋อไม่เชื่อหนูก็แค่ไปแบบว่าจะรู้ด้วยตัวเองก็แค่นั้น<ม>เพื่อนบอกว่าเออตัวเองก็เป็นนิสัยแบบนี้ซึ่งไม่ได้เชื่อหนูบอกว่าหนูไม่เชื่ออะไรง่ายๆหนูมองอย่างนาาี้นะคะ บอกว่าถ้าหนูหนูต้องรู้ด้วยตัวเองเพราะว่าฟังทำของพระอาจารย์หนูก็งงตอนแรกคืออะไรหนูต้องรู้ให้ได้คืออะไรก็แล้วแต่เราต้องทำซ้ำซํำๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแล้วเราจะเข้าใจมันก็คือเป็นจริงค่ะพระอาจารย์รู mm hmm. ้ถึงได้เข้าใจมาจนถึงทุกวันนี้ mm hmm. ว่าอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองค่ะพระอาจารย์แต่ว่าในเรื่องของการปฏิบัติก็กพย า, ยาแบบ ปฏิบัติให้ได้ใ น, ในทุกๆวันแล้วก็คือตลอดเวลาที่เราไม่ได้ทำงานนะคะพระอาจารย์ตอนนี้รู้สึกว่าใจเบาเบาขึ้นมากเบาขึ้นเยอะแล้วก็ไม่ได้คาดหวังกับอะไรทั้งสิ้นแต่ก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะพระอาจารย์ ไม่ต้องไปสนใจคำคําสารเสวนเยินยอนุปกเนี่ยไม่ต้องนุปงยิ่งนุชิเฉย์ค่ะป้าชาเป็นเหมือนเสียงลมพัดเท่านั้นเองค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรมากอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติออไปค่ะแล้วก็ไปไหว้ไปอาจารย์เอ่ไปที่คุณโสจิรตตอคุณโสจิรต์เจนอยู่ที่ไหนเเพิ่งเข้ามาข้างแรางเนี่ยเปิดไม้ได้ไหม มีปุ่มอนมิวยังบอก <c oughs> ยังเปิดไม่ได้เลยนะสวัสดีค่ะเออได้นะพูดได้เลยจ้าค่ ะ, ะ, คะสวัสดีค่ะจากอุดรธานีค่ะเพิ่งกลับมาจากวัดท่านอาจารย์เอไปวันที่ยี่สิบเจดถึงวันที่สองกันยาที่วัดแล้วก็จากนั้นก็ขึ้นต่อบนเขาจนถึงวันที่เจ็ดแล้วค่ะแล้วก็ขึ้นบินกำลัาอุดรวันที่แปดแล้วค่ะคือ ส่วนตัวนี้ติดตามท่านพระอาจารย์มาได้สี่ปีแล้วค่ะแล้วก็กัลยาณมิตรรู้จักกับแม่ชีเอนะคะคุณแม่ชีเอค่ะเขา แ, นะแนะนำบอกว่าใ ห, ให้ไปวัดอาจารย์เองเลยต้องไปเจอตัวจริงท่านให้ได้เพราะว่าในส่วนตัวก็คือยังยังไม่ได้เริ่มภาวนานะคะยังภาวนาไม่เป็นแต่ว่าทานศีลนี่ก็ทำพอต่ะแต่ส่วนตัวนี้คือ อยากอยากเจอท่านพระอาจารย์มากอยากอยากมีครูบาอาจารย์สอนในการภาวนานะคะก็คือเดี๋ยวขอโอกาสเล่าว่าครั้งแรกที่เริ่มปฏิบัติธรรมเริ่มเริ่มตอนนั้นปีสองพันห้า้ยหสบอดนะคะคือเราเราผิดหวังในชีวิตหน้าที่การงานแล้วก็ลาออกจากราชการก็เลยได้มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่ามัตตาดนะคะแล้วก็ได้ไปอยู่ใกล้ชิดกับพระคุณแม่จันดีนะคะ คือตอนนั้นหนูก็ป้านูก็ทํางานอยู่ลุงครัวเป็นบวชเป็นขาวดํานะคะเราไม่ได้โกนหัวห น, หนูก็เลยมีโอกาสได้ไปไปถือศีลใกล้ท่านแล้วก็ตอนนั้นยังไม่รู้จักการภาวนาเจ้าค่ะตอนนั้นก็คือมันเสียหลักในชีวิตมากแล้วก็เราก็ทํางานกวาดตาตอะไรก็เหนื่อยมากเพราเราก็จริงจังมากเพรนคือกลัวกลัวกลัวพระคุณแม่อาจารย์ดีมากแต่เราไม่รู้จักการภาวนาค่ะเสร็จแล้ววันนั้นด้วยความที่หนูก็เป็นคนกลัวผีแล้วแล้วหนูก็ ไปนั่งสมาธิแล้วก็คือทํางานก็เหนื่อยเนี่ยแล้วก็แล้วทีนี้นั่งสมาธิแล้วทีนี้น่าจะประมาณได้เกิดสามชั่วโมงหนูก็จําไม่ได้แล้วมันนานแล้วทีนี้มันเริ่มแบบเหมือนล่างมันแตกออกเลค่ะซึ่งหนูไม่ไม่ได้เคยอ่านหนังสือนะคะเกี่ยวกับว่าอภาวนาเราจะเป็นอย่างนี้คือหนูได้กินมันกิ่นซากสดนะคะหนูก็คิดเอาเป็นเตจหรือเป็นอะไรเขาไม่รู้หนูก็กลัวมากทั้งในจิต ท, ทั้งพุโทโธทั้งสวดมนต์อะไรก็ไม่อยู่แบบ แต่ก็คือเหงือมันแตกหมนมันเหมือนร่างมันจะแตกออกไปแล้วด้วยความที่เราไม่รู้เรื่องหนูก็ไม่ออกจากสมาธิเลยหนูก็แต่แตกก็แตกก็หนูก็ไม่รู้แล้วอยู่ดีๆตัวมันก็หลุดออกไปเลยเหมือนกับไม่มีร่างนะคะไม่มีตัวเราเลยแล้วมันก็กระเด็นออกไปแล้วแล้วก็เห็นตัวเองแบบนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วตัวเราหายไปเลยแล้วไม่รู้สึกอะไรนะคะแล้วทีนี้ด้วยความที่เราไม่รู้จักอะไรเรากลัวตายอ่ะคะ่ะหนู หนูก็เลยกระโดดเข้ามาพอกระโดดเข้ามามันก็เลยรู้สึกว่ามีตัวตัวเองขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ทันลืมตามเพราะว่ายังกลัวผีอยู่มันกินมันยังไม่ไปทีนี้มันก็เลยได้กลิ่นหอมมาค่ะกินหอมมันก็เลยลืมตาค่ะทีนี้พอเช้ามาหนูก็หนูก็ไม่คิดอะไรแต่มันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกมีความสุขมากแบบหลังจากนั้น คือกลับบ้านไปเป็นเดือนนะคะพ่อหนูเป็นช่างเย็บผ้าอยู่ในบ้านเสียงนางเปิดทีวีอะไรหนูก็แบบไม่อยากได้ยินเลยค่ะคือมีความสุขมากแต่ก็ไม่ได้ถามพ่อคุณแม่นะคะพราะสมัยนะั้นหนูกลัวถ้านแล้วหนูไม่รู้จักการภาวนาหนูก็ทํางานวัดถืบศีลแต่ใจธรรมดาเจ้าค่ะและทีนี้หนูก็ยังอยู่ทางโลกเดียวยังรักษาศีลทําบุญแต่ว่าก็เคยไปบวชชีตอนที่เอโควิดนะคะ โควิดก็ไปบวชชีพอดีได้โอกาสคือหลวงลุงอยู่อยู่บ้านแพงนะค่านท่านมีวัดแล้วพ่อแม่พี่น้องญาติก็เป็นแม่ชีหมดหนูก็เลยไปเจอแม่ชีเอต่อนหนูไปบวชชีค่ะค่ะไปบวชชีได้ได้ได้ปีหนึ่งค่ะไปโกนหัวบวชเลยตอนแรกไม่ได้กะว่าจะไปบวชแต่คิดว่าจะไปงานกระถิ่งของลวงลงุลงลวงลุงเป็นเจ้าวาดที่นั่นที่นี้ลวงลงุลงเลยว่าเพื่อนก็พูดภาษาบ้าน ขอขออภัยนะครับมึงขับโกนหัวบวชโลดขนะนี้แหละหนูก็โอ้ยมีภาระทางโลกอยู่ไม่ไม่อะไรจริงทีนี้อยู่ไปอยู่มาหนูตอนนั้นหนูก็คบหนูมีแฟนต่างชาตินะคะคบกับคนอเมริกาอยู่แต่ยังไม่ได้แต่งงานค่ะก็หนูก็คิดว่าหนูขอเขาได้ไหมเพราะว่าเขาดูแลหนูอยู่จะขอมาบวชฉีปีหนึ่งเพราะว่าจะได้เพราะว่ามันยังไงมันก็ต้องมีรค่าใช้ใจ่ายนะคะ ก็ให้หนูบวชหนูก็ดีใจมากเพราะว่าพ่อหนูก็เป็นพระบวชอยู่วัดวัดนี้ค่ะนูก็อยู่ได้หนึ่งปีแต่ตอนนั้นคือเราบวชบวชแบบรักษาศีลแปดนะคะท่านอาจารย์แล้วเราก็ทําบุญทํากับข้าวที่สาลาแต่เราภาวนาไม่เป็นค่ะแต่เราก็นั่งสมาธินั่งก็คือเหมือนมันสงบแต่ก็ได้อย่างเก่งก็แค่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะแต่ก็<า>มไม่ได้เลิกช่วยกระชับหน่อยไหอคะค่ะแล้วก็แล้วทีนี้จะกลับมาภาวนาอีกค่ะทีนี้ มันออกไปทางโลกอีกมันมันเละเทะมากเลยคือพูดก็คือศีลห้าไม่ครบค่ะพระอาจารย์แล้วก็กคือที่หนักสุด ก, ก็คือเมาค่ะขี้เมาเมาหัวลาน้ําเลยค่ะทีนี้หนูคือดึงตัวเองกลับมาเพราะว่ามันจะเป็นแอลกอฮอล์หอ่ะหนูดึงตัวเองกลับมาใหม่ก็คือตัดตัดไปเลยเพราะว่าคิดว่าตัวเหมือนกับเราไม่รู้ลึกจริงแต่ตอนนี้หนูหนคิดว่าหนหนูเข้าใจแล้วค่ะจริงๆเมื่อก่อนยังยึดตัวเองอยู่ไม่คิดว่าจิตมันมีมันไม่ใช่ตัวตัวเราไม่ใช่ เราเ น, นี่ค่ะนี่หนูก็เลยคิดว่าหนูจะเริ่มยึดท่านพระอาจารย์เป็นเป็นครูบาอาจารย์นะคะหนูก็เลยไปหาท่านพระอาจารย์แล้วก็จะต่อไปนี้จะเริ่มภาวนานะคะจะเริ่มหัดภาวนาแล้วค่ะพยายามเจริญสติก่อนกอนอารรวบรวมความกล้าเข้ามา อ, อพยายามเจริญสติทั้งวันไปก่อนพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันก่อนค่ะแต่งก็มาก็พุโทโธพุโทโธไปภายในใจ ทำอะไรกับพุโทโธพุธโทโธปอยากคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ค่ะคืออย่างมากหนูก็คือหนูจะสวดมนต์ทุกวันเลยค่ะหนูจะสวดมนต์เพราะว่าหนูอยู่ใกล้วัดบัญจิตเมื่อก่อนจะไปถูกส่วนมันเย็นทุกวันแล้วก็นั่งมสมาธิทุกวันค่ะวัตที่มันอยู่ใกล้สนามบินใช่ไหมใช่ค่ะวัดหลวงปู่ชิงค่ะอ่าหลวงปู่ชิงค่ะอาจารย์วงศินก็อยู่ที่นั่นใช่ไหมไม่จับไหมอะไรนะคะ ม, มีพระอาจารย์วงศินก็อยู่ที่นั่น อ๋อนุไม่รู้จักค่ะแต่รูปค่ะรูปปัจจุบันนี้หลวงพ่อเหลียญตั้งแต่ท่านหลวงปู่ขินท่านโอเคตอนนี้เวลามันหมดนะท่าอะไรจะถามไหมอ๋อไม่มีค่ะมาตั้งใจมากาบท่านพระอาจารย์ค่ะก็จะหัดเริ่มภาวนาแล้วค่ะถ้าจะภาวนาก็ต้องเปิดสติบ่อยๆก่อนนะตอนนี้มันยังก็ต้องมีสติค่ะ ถ้ไมมีสตินั่งไปมันก like. uh ็ฟ huh. ุ้งซ่านไปอค่ะใหพยายามมันพุโทโธพุโทโธแล้วสวดวนไปทั้งวันเลยค่ะโอเคค่ ะ, คะ ข, อขอบากาบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากค่ะสาธุสา้สาะค่ะคุณมาริกาคนสุดท้ายแล้วคุณมาริการมีอะไรไหมก า, าบน้ำมัสการโยคะพระอาจารย์ค่ะก็เวลาก็จนเจียนนะพระอาจารย์นะก็อันนี้ก็ ผลที่ได้จากการปฏิบัตินะคะพระอาจารย์ก็เกิดขึ้นจากพ่อก็คือพ่อนั้นคันแล้วก็เจ็บตั้งแต่เขาไปจนถึงปลายเทา้าดังนั้นก็ลักษณะก็คือจะมองได้เห็นได้เด่นจากจากพ่อก็คือจะบ่นว่าเจ็บเจ็บพูดอะไรพ่อให้พ่อฟังพ่อก็ไม่พ่อก็ไม่ฟังที่ลูกพูดและพ่อก็พยายามพูดในสิ่งที่พ่อ เก็บอยู่พ่อก็บ่นให้ฟังแล้วลูกก็บอกว่าก็พยายามที่จะบอกว่าให้ให้พูดว่านโมพุทธายะพ่อพก็พูดไม่ได้แล้วก็ว่าขอตั้งจิตอธิษฐานก็พ่อก็พูดไม่ได้อตอนนั้นพกกนนทุก็สพ่อทุกวันนะคก็บ่าจานแต่พอสุดท้ายก็มันเลยไปประมาณหนาทีลูกก็บอกว่าอาตถางสัมมาสัมพุทโธนะแล้วก็เสร็จแล้วพ่อก็พูดได้แล้วก็พูดได้แล้วก็ พอกดีขึ้นกับพระผ้าจยา์ใช้เวลาประมาณสักประมาณสักสิบนาทีได้แล้วก็พอพ่อพูดต้องสวดมนต์ได้พ่อก็ลืมคันไปเลยก็เลยก็ว่าอ๋อนี่คืออนิสงค์ของการสวดมนต์ให้คระแล้วก็การตั้งจิตไว้ที่คําอธิษฐ า, น, ยอยานอย่างใดเอคําสวดอย่างใดอย่างหนึ่งพุโทโธก็ได้อะไรก็ได้ที่ผ้าจาย์เคยพูดคระผ้าจยา์ก็ได้เห็นได้ถึงชัดเลยว่าเมื่อพ่อ เอากิจไปอยู่ที่คําสวดมนต์ปั๊บพ่อหันเลยค่ะพอาจารย์เออถูกต้องใจมันไปคิดถึงมันใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์นี่นี่คือสิ่งหนึ่งที่ว่าลูกนั้นเราปฏิบัติอยู่ส่วนพ่อนั้นพ่อไม่ได้ปฏิบัติแล้วพระอาจารย์แต่ว่าก็คือคือแค่เอาแนวทางแล้วก็ไปใช้ไปใช้ให้พ่อใช้ก็คือพอช้าพอดีขึ้นเหมือนกระถามวันนี้ พ่อคันอีกไหมพอพ่บอกว่าไม่คันอีกแล้วถามอาจารย์รู้ไม่มีคําถามในรับเพียแต่ว่ามันเล่าให้ฟังว่านี่คือผลของการปฏิบัติมนยองงามีสติถ้ามีสติแล้วใจมันจะใจมันจะนิ่งโอเคค่ะรู้ไม่มีคําถามค่ะอาจารั์ต้แอ่าไปที่คุณล้าต่อคุณล้ามีคําถามอะไรบ้างไหม กรกาบนมัสการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสองคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะกราบนมรสการพระอาจารย์ครับการเดินจงกรมผมกําหนดที่ท้องแล้วเดินไม่ได้ดูเท้าหรือท่องพุทโธได้ไหมครับเดินกําหนดอะไรจะดีกว่ากันครับก็ลองทําดูก็แล้วกันอันไหนดีก็เอาอย่างนั้นก็ได้การที่เดินจงกรมเร็วๆจะทําให้มีสติ ไม่เผลอดีกว่าที่จะเดินย่างก้าวช้าๆใช่ไหมครับก็แล้วแต่คนบางคนเดินช้ามีสติก็ได้บางคนเดินเร็วมีสติก็ได้ก็ทดลองดูก็แล้วกันอันอย่างไรมีสติมากกว่ากันคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคเวลาก็บฎพอดีสนับคืนนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป The.